จเจ ร, ริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังสัตยาญาณเยาว์ผู้ฝ่ายธรรมวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถ า, ถามตอบคําถามใครที่สนใจก็าท่านต้องการจะเข้ามาถามคำถา ม, ถามก็เข้ามาได้ถ้าเข้ามาทันบางทีเข้ามาช้าก็อาจจะอาจจะเข้ามาไม่ได้เพราะมีผู้เข้ามาเป็นจํานวนมาก แต่ก็สามารถสง่งคำถามผ่านทางเพจได้ทางยูทู e ได้สามารถดูวอนดูชมได้วันนี้จะมีผู้สนใจอยากจะเข้ามากันเนี้ยอะต้องปริมาณวันนี้คนที่มาก่อนก็จะแม่จับแจที่อ ะ, อะจำแม่จับแจที่บั เรามุสการพันจางค่ะค่ะมามาอันนี้มาสงกัานต์ครับอ่าวันเดิมมีอะไรมากว่ามาเรามีความแก่เป็นธรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแน่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เคร่งอาศัยเราถ้าทํากรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบากเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน่นั้นสืบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถินร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใ้กระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่อนสมองสีสับน้ำมีน้ำสะเลน้ำเลือดน้ำเนีเ้ย น้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำเส้นขนามูดน้ำมูกน้ำเส้นขอน้ำกน้ลายน้ำเหลืน้ำตาน้มันข้นน้ำเงนน้ำือน้ำเหลืองน้ำทะเลน้ำดีเกื่ยในสมองสีรสะอาหารก่ออาหารไหมใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตของผืนตักับหัวใจมามีในกระดูกกระดูกเป็นเนื้อนังเล็กแลคนหก เป็นไงมองเห็นอาการเหล่านี้ไหมเห็นครับรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวก็อาจจะมีบางอันที่ไม่รู้จักเขาเองทำไมไม่ทําความรู้จักเขาล่ะเขาอยู่ในตัวเราไม่ใช่เหมครับนั่นเลยทำไมไม่ไม่อยากจะรู้จักเขาบ้างอยู่ไปมาด้วยกันตั้งแต่เกิดครับขอดูหน้าตาหน่อยได้ไห ม, ไมไปเป็นไงปอดเป็นยังไงตับเป็นยังไง ครับนำไส้เป็นยังไงครับอาหารใหม่เป็นยังไงอาหารเก่าเป็นยังไงอรับนะองนี้เป็นของที่เราควรจะศึกษานะของเป็นเป็นปัญญานะเปัญญารนะ ม, มาดับกิเลสดับความทุกข์ใจได้ครับครับนะต้องพยายามทําทความเข้าใจมองให้เห็นทั้งหมดนะ่นแหะ อาการที่เป็นอ่ส่วนที่มองเห็นได้ด้วยตาพวกน้ำนี่ก็อาจจะก็ดูได้อย่ากหน่อยแต่พวกที่เป็นปอดเป็นตับถึงตายนี่สมอง <c oughs> กระโหลกศีรษะอยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยนะพ <c oughs> ยายามดูให้จําได้เวลามาองร่างกายเราก็จะให้เห็นอาการเหล่านี้ ไม่ชเห็นไม่เห็นตัวแจสตี้ไม่เห็นตัวจะรับเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกับครันจะได้จะได้เป็นคนฉลาดอ้ามโอเคมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้จะมารายงานเกี่ยวกับการดูสพครับเนาะไปดูที่ไหนมาเลยไกยคตาสติครับอ้า น่าเป็นยังไงดูศพชนิดที่ถามก็คือศพที่มีน้ําออกมาครับอืมแล้วรู้สึกย่างไง่ะเห็นแล้วก็เฉยๆครับเฉยๆอแต่ก็ <c oughs> แต่กต น, นี่แหละคือธรรมชาติของร่างกายออาไปร่ <c oughs> างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราถ้าเขาไม่เอาไปเผาซะก่อนนะครับ <c oughs> อย่าไปยึดติดกับร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราของเราคครครับับบไม่สวยไม่งามอย่าไปอยากได้ใครมาเป็นแฟนนะครับครับ า, ราก็ไปได้ได้ซากศพมาเป็นแฟนนะค ร, ครใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตอนนี้ยังนั่งสมาธิอยู่หรือเ่าก็มีนั่งบ้างครับแต่ไม่ถูกคืนครับ ทำไมไม่นางไม่ได้ทุกเดนกินข้าววันละสามมือยังกินได้ทุกวันครับนั่งสมาธิกเหมการให้ให้ให้อาหารกับใจนะใจใจถึงผอมโซนใจถึงหิวโหยอ ย, อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไม่ได้กินอาหารเลยเรารเราให้อาหารงงใจหนึ่งให้ใจนดนั่งสมาธิ่ล้วใจจะอิ่ม้ะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ครับอ่ากินข้าววันละสามมื้อกินให้ร่างกายได้วันะสามสี่มื้อแต่กินให้ใจวันละมื้อเดียวกินไม่ได้มั้งเป็นไงครับครับอ่าต้องคิดถึงว่าเป็นการให้อาหารใจถ้าไม่อยากให้ใจห so, ิวโซอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนูน่นอยากมานี่อันเนี้ยแสดงว่าใจไม่ได้อาหารไม่ได้กินอาหาร แล้วก็เลยไปอยากได้ยาพิษมามการไปกินไปเที่ยวไปอะไรนี่มันเป็นการไปเอายาพิษมาให้กับใจจริงเอาอะไรก็เสียใจทุกใจขึ้นมาครพยายามนีบั ง, นะบงคับตัวเองว่าต้องให้ต้องกินวันละหนึ่งครั้งกินให้อาหารใจวันละหนึ่งครั้งโอเคนะครับ มีอะไรไหมมีนิดนึงค่ะพ่าจันเวลาพิจารณาอาการสามสิบสองะคะ่ะค่อยค่อย <c oughs> พิจารณาไปทีละอย่างใช่ไหมคะเริ่มจาก <c oughs> แานา แ, <c oughs> แล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วแต่เราเวลาไปซื้อเพชรซื้อพอยเนี่ยพิจารณายัางไง <c oughs> ไม่เคยซือ้อ <c oughs> เวลาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวซื้อของอ <c oughs> ใช่ไหม ก็เราก็ต้องดูทุกอย่างทุกอย่างทำำําความรู้จักกับร่างกายเนยเราอยา ก, ากจะรู้จักร่างกายว่ามีอะไรบ้างมาไปถ้ามีลูกสะพ้ายมาแต่งงานกับลูกชายเราต้องไปดูว่าลูกสะพ้ยมีอะไรบ้าง อ, อยากจะทํำงานรู้จักจกับลูกสะพ้ายก่อนที่จะมาอยู่เป็นลูกลูกเราเนยร่างกายก็เหมือนกันร่นางกายมันก็อยู่กับเรามันจะเกิดเราไม่รู้จักมัน่ะ เราต้องรู้ว่ามันครบทุกสามสิบสองอาการอะไล่ไปทีละอย่างมันต้องไล่ชื่อไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมานลกงถึงภาพของมันก็ได้แล้วก็พิจารณาด้วยกฎไตรักใช่ไหมครับแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสศษ อย่าไปยึดอย่าไปติดถ้ายึดติดแล้วจะทุกข์เวลามันไม่เวลามันไม่เที่ยงครับถ้าไม่ยึดไม่ติดร่วมมันไม่เที่ยงเวลามันไม่เที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์เข้าใจนะเข้าใจครั่อมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพอพอมันเข้าใจโอไปที่ตะวันตะวันหลบมาอยู่ที่หน้าสองนตะวัน กลับไปรับคำประช่างครับอ่ามาบ้ามีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามครับแค่อยากอเอาค บ, า ง, บางครับแค่อยากจะอะไรนะคำบ้างครับคำบ้างมาส่งไม่จะขอการบ้านขอการากบารา้านเขาที่ได้ให้การบ้านอะไรไปนะ <c oughs> ไม่ได้นะเออสอง ของท้องอาจารย์สามสิบสองเคยท่องไปแล้วแล้วก็นั่งสมาธิกับสวนมล์ก็ทำอยู่ทุกวันค่ะเห็นภาพของอาจารย์สามสิบสองยังเห็นแล้วจะดูซีดีไม่ได้ดูอะไรไม่ได้นะวีดีโอของอาจารย์สอมสิบสองยังดูไม่ได้เหอูภาพนิ่งได้อย่างเดียวค่ะชืม ้็มันอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ในร่างกายเราไม่ใช่เหเห็นไหมถ้ามันถ้ามันน่ากลัวมันต้องทําเราตายไปแล้วใช่ไหม <c oughs> มันทําอะไรเราหรือเปล่ามันไม่ได้ทาอะไรเราลองเรียนรู้ไว้ให้รู้ว่าตัวเรามีอะไรบ้างเราจะได้ไม่หลงไม่หลงไปคิดว่าเราเป็นซุปเปอร์แมนเป็นนู่นเป็นนี่ อันเดิแล้วก็เป็นแค่อาการ32เหมือนกันหมดทุกคนในโรกนี้เกิดมาก็มีอาการ32เหมือนกันหมด อ, มอยากจะได้การบ้านอะไรนั่งสมาธิหรือเปล่าโอเคครับฮะนั่งทุกคืนหรือเปล่าเอานั่งทุกคืนครับตอนเช้าตอนเช้าด้วย นั่งไดนานไหมเ อ, อ่อ10นาที10นาทีเพิ่มเพิ่ม15 น, นาทีได้ไหมอือช่วงคีดได้ครับลองลองทดลองเพิ่มไปเรื่อยๆนะนั่งให้ได้ชั่วโมงไรก็ยิ่งดีอ่านตอนเอาเอา10นาทีแล้วก็เพิ่มเป็น15 น, นาทีเพิ่มเป็น20นาทีนั่งยินได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะ นั่สมาธินี้มีประโยชน์กับจิตใจทาให้จิตใจเยนทำให้จิตใจมีความสุขทำให้จิตใจอิ่มไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากเล่นเกนไม่อยากไปที่นู่นที่นี่พยายามนะนี่คือการบ้านทำได้มากเท่าไหร่ยิ่ดีดีครับโอเคมีคาถามอะไรไหม ต้นมีครับอืมสิบ้านาทีเช้าเย็นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะตอนนี้ที่ทําก็คือว่าเช้าสิบแล้วก็เย็นสิบค่ะตามอายุค่ะถ้าอาจารย์บอกให้ทำสิบห้านาทีก็ขึ้นเปสิบห้านาทีแนะเชื่อคุณผู้ชมอาจารย์ไม่ได้ถ้าไม่ไ้เนีอายุของจิตเปตามอย่าไปเอาอายุของร่างกายค่ะอายุของจิตค่ะอายุจินี้มันเป็นเป็นล้านปีนะเป็นแสนล้านปี เพราะว่าให้เขาทำตั้งแต่อายุเท่าที่จำความได้เริ่มตั้งแต่สามสองสามขวบนะครันนพ ร, ระอาจารย์พุทโธพุทโพุทโธอย่างเนี้ยอ่ามีฝึกไปเรื่อยๆค่ะมีคนประโยชน์ชนต่อไปเวลามีความเศร้าหมองอจิตใจซึ่งซึเศร้าเราใช้นั่งสมาธิให้หายได้โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะไม่มีครับโอเคเราไปทำดู นะอาจารย์เพปผ้ า, า, าแม่หลงเพปผ้านี่มาเพปตัวเพปผ้ามาหรือเปล่าเพปผ้าไม่เข้าภาษาไทยเลยชอบเข้าภาษาอังกฤษเพปเพปผ้าไม่ได้มาด้วยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อยู่บนเขาค่ะอ๋มอามาอยู่บนเขาแล้วนะค่<ข>ะแล้วสองคนเนี่ยทิปปี้มาด้วยะใช่ค่ะพิปปี้<ย>าอยู่อีกหลังนหนึ่งค่ะแยกกันอยู่ค่ะอืค่ะ นีเป็นยังไงดีไหมอยู่คนเดียวดีค่ะอืมชีวิตเราไม่แน่นอนวันนี้คนเดียา จ, จะต้องไปอยู่คนเดียวฝึกซ้อมไว้ก่อนต่ อ, อไปเวลาอยู่คนเดียวจะได้ไม่รู้สึกทุกข์หรืเศร้าใจเหนื่อหนาพราเรารู้จักทำตัวเราเรารู้สึกมีอะไรทราไม่ไอยู่เฉย ทางสมาธิเงินยกงกรมทางเทศทางธรรมอ่านหนังสือทำมากไปมีอะไรจะถามไหมให้มีคําถามค่ะผ่าอาจารย์โอเคอยู่สองคืนน่ะค่ะผ่าอาจารย์โอเคอพยายามควบคุมสัตใจอย่าให้ปิดนะให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปกรุงเทพอย่าไปที่เพชรบ้าอย่าไปที่คนนั้นคนนี้ ให้อยู่ที่กับบนเขาอยู่ในปัจจุบันน่ะพรอรย์นั่งสมาธิได้มากๆใจเย็นโอเคนะท่านนี้ก่อนนะค่ะอาจารยอนี่เปันมาพิเชษใจมาพิเชษกรับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเชื้อของภพชาติคือความอยาดครับอาจารย์ ก็มันเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากสามประการกรารมาตัญหาภ า, าะวะตัญหาวิทภาวัตัญหากรารมาตัญหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายตัวร่างกายไม่มีความอยากตัวร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์มันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตัวจิตนี่เป็นผู้มีความรู้สึกในคิดผู้มีความอยากทั้งสามนี้ แต่จะเสพ ร, รูปเสียงกินร้อได้ก็ต้องมีร่างกายก็เลยไปไปรอรับร่างกายเวลาที่จิตไม่ถูกกำหนิดของบุญหรือบาปควบคุมไว้ก็จะมีก็จะมารอรับร่างกายพอได้ร่างกายพอโตขึ้นมาพอจะกท้องแม่ก็เริ่มเสพ ร, รูปเสียงกินร้อนก็อย่างนี้แหะนี่เกิดตัวที่เท้าให้กลับมาเกิดอ เจ็เท่าไหร่ความอยาบก็ไม่หมดอมืพอร่างกายที่ตายไปก็ไปรอหาร่างกายใหม่ต่อก่อนจะได้ร่างกายมนจะต้องไปใช้มุนใช้กรรมก่อนใช้มุ่นใช้บาป ก, ก่อนอย่างไรที่แม่าเป็นเป็นผู้สร้างบ้านสร้างภบสร้างชาติกับพวกเราพระเจ้าบอกวันนี้มาสร้างภบสร้างชาติพวกเราคือตันหาความหยาเนี่ย เราึงต้องมาแล้วนความอยากขึ้นเอาความอยากนี้นอกจากพายเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันทําให้จิตใจเราวุ่นด้วยเวลาเกิดความอยากขึ้นมาจิตใจเราจะเริ่มมีอาการอ่ากินไม่ได้นอนไม่หลับว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขถ้าถ้าถ้าไม่ได้ทําตามความอย า, มากมากๆก็จะเป็นมีอาการ อรุนแรงขึ้นมาบางคนที่ติดยาเสพติดอยากจะเสียแล้วไม่ได้เสพเนี่ยก็จะเกิดอาการรุนแรงเกิดความทุกข์ทรมารขึ้นมาอย่างมห น, นัเนี่คือภยัภยภัยสําคัญของจิตใจนหมืนกับเชื้อโควิดนี่ที่สํัมบอมร่างกายไม่มีใครอยากจะติดเชื้อเราก็ใจเราก็ไม่ควรจะติดเชื้อของใจคือการหาทั้งสามนี่ พยายามระ ง, งับมันเวลามันจะโผขึ้นมาแถ้าระงันมันได้ก็ต้องมีเครื่องมือมีสติมีปัญญามีสติก็หยุดมันได้ชั่วคราวมีปัญญาก็หยุดมันได้ถาวรเพราะปัญญาจะสอนให้เห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์การกระทาตามความอยากลุกยาวนานพเอาไปมิว่ายตายเกลดไม่มีวันจบวันสิ้น <c oughs> นนอนาคตของเราถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ดับการเมียนว่าตายเกิดเราก็ต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาการจะสร้างสติสร้างปัญญ า, า, า, า, ญญาก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับส น, นุนถ้าเรายังมีทรัพย์สินอยากใช้เงินทองเราก็ต้องเลือใช้เงินทองทาเงินทองที่เราเคยไปใช้เอาไปทำบุญท่าทานด้วย จะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กันเท่านี้มากับการมาสร้างศีลสมาธิปัญญานะสมาธิก็คือสติถ้าไม่มีสติสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้ว <c oughs> ก็สามารถหยุดความอยากได้เวลามันโผล่ขึ้นมาอันนี่คือเชีย่ยของ เชื่อของพบชาติเชื่อของการเป็ในว้ตายเกิด <c oughs> คือตัณหาความอยากพอจะเข้าใจแนละ้วครับเข้าใจมากคิดครับพระอาจารย์กับพระคุณมากค่ะไปที่ท่านต่อไปนะอคุณอุสาแล้วกลับมาแล้วนะ อดี๋ยู่คนเดียวแล้ววันนี้ลูกสาวไม่มาเลค่ะอยู่คนเดียวค่ะโยมยังอยู่ที่ร้านเลยค่ะยังไม่ได้กลับบ้านลูกก็เลยติดตั้งไว้ให้แล้วก็กลับไปก่อนค่ะอมีงานอยู่ค่ะยมยมป่วยยาวเลยค่ะอาจารย์ไข้หวั่แล้วก็มันมันเขาว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แต่โยมไม่ได้ไปหาหมอไงคะยมก็เลยไม่ซัาบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่การเป็นไข้หวัดนั้นแหะค่ะทีนี้โยมก็คือไม่มียามยมก็ว่าช่างมันเดี๋ยวลองดู อยากเป็นก็ให้หายเองโยมก็เลยใช้วิธีที่อาจารย์บอกค่ะว่าให้ดูมันโดยที่ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องพูดโทใช่ไหมคะโยมก็ดูอาการของเขาค่ะตอนที่ไข้ขึ้นโยมก็ดูลมหายใจที่มันออกมามันร้อนแล้วก็สั้นคําผู้หออาจารย์ก็ขึ้นมาว่าถ้าลมหายใจสั้นคือลมหยาบโยมก็ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่ามารับรู้ตอนที่ว่าไข้มันขึ้น อาการไข้ขึ้นมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นโยมก็ดูเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเหมือนกับว่าไอ้ลมหายใจเราหายไปแต่เลืยจะแค่เป็นโพรงคมๆแล้วก็เป็นมันสีแดงแล้วก็สีเทา อ, อ่ะค่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากนั้นก็มันลอยปุ๊บจบไปเลยค่ะจาายมก็แบบนั้นนะคะปล่อยให้มันไปมันหายเองแต่ว่าโยมก็มาคิดว่าอยากเป็นกะหายเองแต่จริงๆแล้วโยมพาเขาไปตากฝนไงคะจ่ายมก็เลยไปซื้อยามลาละตากค่ะ ก็ได้เรียนรู้จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นการท้าทายนะคะมันเป็นการตกกระดปษอยโจ้นะคะไม่มียา ก, ก็เลยลองดูไปอะคะ่ะอาจารย์ก็ดีใช้ธรรมะสดดูรักษาใจของเราอย่าไปทุกข์กับมัน <c oughs> แต่ว่าตอนที่มันไข้ขึ้นใช่ไหมคะมันร้อนขึ้นมาเนี่ยมันมีคําพูดแวบขึ้นมาถ้าเส้นเลือดแตกละแล้วมันก็มีคําตอบว่าก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวรู้ค่ะมันเหมือนกับว่าเราดูเขาคุยกันอะค่ะอาจารย์ Mm hmm. อันหนึ่งขึ้นบอกว่าเดี๋ยวถ้าเส้นเลือดแตกล่ะอันนึงก็ตอบเดี๋ยวรู้โยมก็เลยดูเข้าไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็จนสองสัปดาห์ก็ยังไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ก็ออกมาทํางานตามปกติอค่ะอาจารย์แต่ว่าก็มันมั น, ม, นมันเลื้อดลางยังไงก็ไม่มรทราบเหมือนกันค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> ช่วงนี้นะคะโยมรู้สึกว่าอ่าจิตใจมันเป๋ๆค่ะอาจารย์เป๋ๆฟุ้งซ่าน แล้วก็รู้สึกว่าเออทําไมเราเราเป็นแบบนี้แสดงว่าเราอยากทําไมเราไม่ขอบคุณเขาที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ขอบคุณที่เขามาทําให้เราเป็นบททดสอบให้เราแต่แป๊บนึงมันก็มาอีกค่ะอาจารย์มันฟุ้งมากเลยค่ะโยมก็เลยก็ต้องใช้สติหยุดมันจะไมแบบ่สติหยุดมันได้เราไม่ใช้สติมันก็ไม่หยุดมันมาแป๊บแป๊บมันก็ไปค่ะอาจารย์แล้วโยมก็เลยมาสงสัยว่าเออ ไอ้ไอ้มร์แปดนะคะจานระหว่างข้อแรกกับข้อที่สองนะะมันมันกั้มกึ่งกันมากเลยยมขออนุญาตจานขยายความให้ยมสักหน่อยได้ไหมคะเอาความเห็นกับความคิดเฉย<ช>ความเห็นก็แค่<ช>ว่าเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากนะจ่ายทุกหายก็ต้องละความอยากอันนี้คือความเห็นความเข้าใจ ถ้อยความคิดเราก็ลองคิดเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ลองคิดว่าอ๋อมันเกิดจากความอยากของเราเอง <c oughs> เราต้องหยุดความอยากอยากไปอยากอือันนี้คือความคิดขอบพระคุณอาจารย์ยมจะน้อมนํามาใช้นะคะแล้วก็คำที่อาจารย์สอนการเทศทุกคําเนี่ยมันจะเอามาใช้ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาค่ะอาจารย์นี่คือการที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้อ่านหรืออาจจะ ยินขอพระคุณอาจารย์นะคะจบไม่มีคําถามแล้วค่ะอย่าใช้ปัญญาอย่างเดียวถ้าจิตมันทุ่มซ่นแล้วปัญญาหยุดไม่ได้แล้วต้องใช้สติยหยุดบ้างพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันเข้าสมาธิบ้างก็ได้บางทีปัญญาเรายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญามันใจไม่มีกําลังทําตามปัญญาเราต้องใช้เพิ่มกําลังให้ขับใจในการเข้าสมาธิไปบ้าง เสริมกําลังของสมาธิมันมันเป๋มากเลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป๋อย่างแรงเลยค่ะช่วงที่มันเป๋แล้วเราใช้ปัญญาไม่ให้มันให้มันนิ่งไม่ได้เราต้องใช้สติพูดโทพูดโทไปขอบพระคุณค่ะอาจารย์จะนํามาใช้ค่ะอาจารย์นํามาใช้แต่สตินั้นแย่มากเลยอาจารย์ใช่บางทีมัน มันไปทางปัญญามากๆปัญญามันฟุ้งขึ้นมาปัญญาอะไรเหมือนเป็นมีดทื่อฟันเท่าไหร่ก็ฟันไม่ขาดต้องกาเข้ามารับมีดต้องพักพักปัญญาแล้วเข้าสมาธิก่อนแล้วพออยากสมาธิมานี้กลับไปฟันมันทีเดียวขาดเลยสาธุครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคของสองอย่างนี้มันไปด้วยกันช่วยกันนะไม่ต้อง ต้องสลับกันถ้ารู้สึกว่าปัญญาแล้วไม่มีผลแล้วก็ต้องเท่งสมาธิก่อนยากก่อนบางครั้งมันรู้สึกทุกข์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าทําไมเราเป็นแบบนี้ทําไมจริงจริ ง, รงมันรู้สึกว่าปัญหาที่ขึ้นมามันค่อยละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยๆ่อาจารย์มันรู้สึกเหมือนเป็นเสี้ยนเล็กๆตามไปเรื่อยอ่ะค่ะมันยากแล้วก็ต้องรู้ทันมันแล้วก็แก้ไขมันไปเราต้องสามารถหยุดความทุกข์ได้ เวลามันเกิดขึ้นมาด้วยปัญญาหรือด้วยสมาธิก็แล้วแต่ตอนตอนนั้นอันไหนมันใช้ได้ก็ใช้อ น, นันไปถ้าปัญญาเรายังไม่ทันกิเลสก็ต้องกลับมาสายสมาธิหยุดมันก่อนคุณผู้เฝาจานโอเคมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์รู้สึกเย็นเลยค่ะอาจารย์โอเคดีใจด้วย แ, แ้่จูคอที่คุณสาธารณชาญนาะย็งไงวันนี้ขายยาได้เท่าไหร่ขายดีัหยวันนี้พัดจาย์แฟ <c oughs> นก็นหน้าร้านลูกก็ไม่ค่อยขายลูกอยู่แต่ในห้องหัวจารมไม่ไม่ไม่รู้ให้เขาจัดการหมดมค่ะค่ะไม่มีคำสั่งก็พาจานโอเคประเด็นต่อไปนะอย่าิ้งนะ สติสมาธิปัญญาสามตัวนี่โอเค okay. คุณจุ๊บจากโกเบ <c oughs> มาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูมีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คือหนูปัญญาน้อยะค่ะพระอาจารย์หนูพยายามหาหาทางแก้ปัญหานี้มามาตลอดแต่มันเหมือนโดนดักทุกทางอะค่ะพระอาจารย์คือ เพื่อนหนูอะค่ะก็ไม่เรียกว่าเพื่อนนะคะพรอาจารย์ก็เป็นคนรู้จักทางเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะตั้งนานแล้วคือตั้งแต่เมื่อก่อนนู้นแล้วอะคะ่ะเมื่อก่อนหนูอยู่แถบคันโตอะคะ่ะอยู่อยู่โยโกฮาม่าก็ได้เจอกันอยู่บ้างนะคะพรอาจารย์แล้วตอนนี้หนูย้ายมาอยู่ที่โกเบใช่ไหมคะก็เพื่อนเขาก็รู้ว่าเออหนูอยู่โกเบเขาก็เลยติดต่อหนูมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนสองเดือนนะคะพรอาจารย์ว่าเขาจะมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งหนูไม่หนูไม่หนูไม่อยากไปเจอแล้วอะค่ะพระอาจารย์คือหนูเข้าใจนะคะหนูตั้งแต่หนูปฏิบัติฝึกปฏิบัติมาเนะะี่ยค่ะพระอาจารย์หนูหนูไม่ไม่ไม่สนุกกับกับสิ่งที่เพื่อนที่ที่ที่เพื่อนเขาเขาเป็นนะคะเขาคือเพื่อนที่จะมานี่คือมากันเป็นกลุ่มสี่คนนะคะพระอาจารย์อื ม, อมสาวๆอะคะ่ะผู้หญิงล้วน่ะคะ่ะเขาจะมาเขาแบบ เหมือนรู้ว่าเราอยู่โกเบเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวไปหาที่ถ่ายรูปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกเรานั่นๆ่เพราะเขารู้ว่าเรามีงานถ้าบอกเนิ่นเนิ <ๆ S 1> <ๆ>ก่อเราก็จะได้ลายหยุดงานได้แต่ใจหนูไม่อยากไปพอใจหนูไม่อยากไปเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่ายังไงดีหนูหนูอึดอัดมากแล้วหนูก็แบบยังไงอะหนูก็ไม่อยากผิดสินข้อสี่ด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็ ไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะยังไงเราก็ต้องใจไม่ตีกันก็บอกไปตรงๆไม่ได้เรื่องไม่ตีจิตก็เรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องใจเราก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราฝืนใจเราทำไม่ได้ล้วก็บอกเ้าว่าเราไม่ไม่ไม่ทำเราไม่ไม่สะดวกที่จะทำเพราเทานั้นต้องต้องบอกไปตรงๆใช่ไหมคะอ่าก็ใช่แต่ใจเราเป็นยังไงก็บอกไปยังงั้นนบอกไม่บอกว่าบอกว่าไม่สะดวกไม่อ่ ไม่เดี๋นี้เดี๋ยวนี้ไม่ก็อยากจะเที่ยวจะอะไรละเดี reboot, right? <laughs> ๋ยวนี <laughs> <laughs> <that feather 13> <His> ้ชอบอยู่อยู่ตามลําพังอยู่กับความสงบพูดไปแค่นั้นก็จบเจ้เจ้าค่ะบอกไปตรงตรงเขาจะเข้าใจปะเพราะว่าของเขาเขาไม่ต <hayat> ้องเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจกันเรื่องของเขาไปแต่เราเข้าใจเราไม่จุดยืนของเราเราต้องรู้จักจุดยืนของเราเสียแล้วเราจะยืนตรงไหนจะต้องมีนี่เ้าคะฮะ เข้าใจแล้วค่ะอพราหนูก็ไม่อยากไปโกหกผิดศีลข้อสี่พราะว่าหนูหนูเข้าใจเลยว่าถ้าสมมุติเราผิดศีลน่ะเรามสมาธิของเราไม่ดีเลยค่ะเพะหนูเคยผิดศีลก็คือที่แถวบ้านหนูอะค่ะคุณย่าที่อยู่ในบ้านหนูอค่ะเขาไม่อยากให้หนูให้อาหารแมวจรแล้วหนูไปไปก็คือเขาเขาก็ถามหนูว่าไม่ได้ให้อาหารแมวจรใช่ไหมทำไมแมวจรมาแถวนี้อะไรเงี้ยหนูก็แบบอืม อย่างเนี้ยค่ะตอบอืมแต่ไม่ได้บอกเข้าไปอย่างเงี้ยพอมันนั่งสมาธิตอนกลางคืนหนูรู้เลยค่ะว่าสมาธิมันมันไม่ไมสบาย ใ, ใจไม่สบายมันทําสมาธิลาบากเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเกงใจหลวงตามาโบบอกว่าอย่าไปเกงใจคนให้เกงใจธรรมให้เกงใจธรรมถ้าเกงใจคนทำแหล้วแรงทำก็คือใจเราจะแรง แล้วค่ใ<ส>ห <yo> ้เก่งใจทำรักษาพระอาจารย์ค่ะหนูไม่ได้ยินนะคะพระอาจารย์ปิดหมายไว้นะอย่าไปเก่งใจคนคนหารคนหาใหม่ได้ถ้าเขาไม่พอใจเราเขาจะไม่เข้ากับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราตถาจาายให้อยู่ในข่าวสงบไว้ดีกว่า แคะขอขอบคุณพ่อาจารย์แนะคะหนูหนูรู้หนูเห็นทางออกแล้วค่ะหนูจะบอกเขาตรงๆเจ้าค่ะต่อไปตรงๆไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะเราไม่รับหลังเกตเขาอะไรอย่างเงี้ยเองแต่ว่าเราไม่ชอบทำในสิ่งที่เขาชอบทำได้เองค่ะคือคือเหมือนเหมือนเขาหวังที่จะได้เจอเราได้ได้ถ่ายรูป ก, กับเราแล้วก็ เขาถึงเขาถึงแจ้งหนูก่อนเนิ่นเนเพราะเขาก็รู้ว่าหนู ง, งานยุ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติแจ้งเนิ่นเนนี่ยหนูจะได้ลางานลางานไปพาพวกเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูไม่ชอบเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ชอบถ่ายรูป้ไม่ต้องทำแล้วบอกเขาไปก็รับกันได้ค่ะหนูกลาพู <ๆ S 1> ดหรือเปล่ากลาพูดหรือเปล่ววาวันเสาร์นี้แล้วคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนู คิดว่าหนูหนูจะรอถางะ้าจารย์ก่อนแล้วก็หนูจะตอบเข้าไปตอนแรกหนูก็คิดว่าทําไงดีว่าหรือบอกว่าป่วยถ้าบอกเขาว่าป่วยเราก็ผิดสิ่งก็สีอีกล้อย่งเงี้ยค่ะใช่ก็พูดตรงไปตรงมาเยจะรักษาธรรมของเราไว้ค่ะหนูจะพยายามท้านยกตืนนี้เลิกเลิกที่คุยกับพระอาจารย์แล้วหนูจะส่งเมสเซจไปบอกเขาว่าเขาว่าคงไม่สะดวกไปจริงจริงหนูก็คือไม่ไม่ตั้งใจจะไปอยู่แล้วค่ะงานของหนูหนูก็ไม่ได้ลาหนูก็แบบ ทัดการางงานเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่เราก็ต้องพร้อมที่จะรับกับผลที่จะตามมาเพราะอาจะไม่ครบคราสธรรมาคมกับเราก็ได้อืมเจ้าค่ ะ, ะก็เนี่ยไปถ้าเขาครบกับเราเพื่อเพื่อเที่ยวเพกินแล้วก็อย่าไปครบกับเขาดีกว่าขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มอบปัญญาให้หนูนะคะ <Okay. S 2> ขอให้พระแข็งแรงสอนหนูต่อไปเรื่อยๆนะคะย่าสาธุจ้าเจ้าค่ะ อ่าอะไรที่อาจารย์ผมไปไล่ต่อเป็ไงคุณว่านักลูกเยอะป่าวอยู่ค่ะกำังน้ัมการพระอาจารย์ค่ะรออยู่ค่ะน้ัาาสการพระอาจารย์ครับแลร<ะ>อคิวคะรอคิวุณพยายามเดิไปเนมาวันนี้เ ข, ข้ามาเร็วหน่อยค่ะพยายามเข้ามาเร็วค่ะจะได้ไ่เินยา นานแล้วก็ครึ่งชั่วโมงเรารอครึ่งชั่วโมงค่ะเราบอมัครึ่งชั่วโมงค่ะก็ขอมากับน้องสกการะอาจารายาร์ค่ะแล้วก็ฟังน้องๆทั้งหลายถาบัญหาอ่าดีฟังประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็สามารถมาใช้กับของเราได้ค่ะเหมือนสมัยที่ขึ้นไปปีกวิเวบนเขาสมัยก่อนที่จะเป็นที่นิยมมากมากกันนะคะก็ก็ ทไมไยนั้นยังไม่มียังไม่รู้เลยนะคะว่าขึ้นไปทําอะไรเพราะมันนานมาแล้ว่นะคะอตอนเรามาฟังน้องๆที่ขึ้นไปทําก็อาจารย์ก็มีคําแนะนําอืำหลายๆอยา่างสมัยไปเองนั้นก็คือขอไม่เสียเวลาเลยตั้งแต่ทีหนึง่งเพราะว่าเวลาไปมันมันช่วงสั้นใช่ไหมคะ่ะอืมก็จะปฏิบัติอย่างเดียวอยากไปบ่อยๆเลยคะ่ะ แต่ตอนนี้ก็อยู่บ้าน<ม>ทําได้ทําที่บ้านก็ได้ค่ะท<ำ>ํา<ม>ทําที่บ้านสะดวกกว่าใช่ที่บ้านแล้วก็เป็นอิสระอยู่ตามกําพังของเราอยู่แล้วใช่ค่ะดีโอเคข้อสํคาคัญก็ขอให้ได้ปฏิบัติกัลนละกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะอะสติสมาธิปัญญาค่ะก็ใช้ใช้อยู่ทุกวันก็ฟังน้องๆแล้วก็รว่มุมแล้วเดี๋ยวชีวิตมันก็จะเย็นไปเรื่อยๆ เราก็จะพบคนน้อยลงน้อยลงน้อยลงกลุ่มเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะโอเคจระสุภาเป็นแรงค่ะสาธุจ้ะไปที่คุณยินดีต่อยินดีที่แคนซิสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็มาร่วมรับฟังค่ะแล้วก็ได้ปัญญาไปในตัวค่ะส่วนเดวิดก็ ฝากความคิดถึงท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็บอส่งเต๊ะค่ะเหมือนเดิมก่ะท่านอานจารย์พระเจ้าแสดงสาวชูฝากขอบคุณด้วยนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะที่ให้ปัญญาค่ะพระเจ้าตัดว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนค่ะท่านอาจารย์สนทนาธรรมก็จะได้ธรรมะได้ความรู้ความฉลาดอืมใช่านอาจารย์ก็ได้ปัญญาด้วยท่าอาจารย์เนยค่ะ เอเคนะติดตามไปเรื่อยๆนะค่ะขอพระคุณท่านอาจารย์อยากสูงค่นอาจารย์ค่ะเจ้าคุณมาเรยเชิญวุฒาการกทมรจำพ่อค่ะก็วันนี้ไม่ได้มีคําถามแค่จะรายงานว่าก็ยังปฏิบัติครอบชอบปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็ยอมรับผลพตามความเป็นจริง ใจยอมรับได้ส่ะหลวงพ่อและใจก็ไม่ไม่ปุกบค่ะหลวงพ่ อ, อโดยเฉพาะความเป็นจริงที่เราไม่ชอบอีมีทุกทุกอย่างที่เราเราอยากให้เป็นตามใจเราแต่ว่ามันบังคับไม่ได้เราก็ต้องยอมยอมรับสภาพไปอ่ะหลวงพ่อ อ, อย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์กับสภาพาต่างๆทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ เ, ออเป็นไปตามความอยากอะไรทุกถ้าถ้าเราเจอเจอปัญหาแล้วเรารู้ว่าเราเราเหมือนเราบังคับหรือเราต้องการให้เป็นอย่างที่เราอยากได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันไม่ได้แต่ว่ามันเหมือ น, นต้องใช้ปัญญาตัดค่ะหลวงพ่อก็ต้องทําไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็คือต้องปล่อยปล่อยไปเลยไม่ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้าทําได้ก็ทำไปก็อตอนช่วงคือถ้ามีเวลาก็คือจะมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อตอนนี้ไม่ไม่ได้โบปัดไปตงไหนแล้วค่ะหลวงพ่งอ ม, มีเวลาเก็บเก็บทุกเวลาทีามั่จะทำได้ค่ะหลวงพ่อรื่อยๆตามเสียเวลามันจะหมดลงไปนะต้องวันต้องวันะ มันน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าประมาทเดินตัวเองอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทําอะไรอยู่ค่ะพยายามเร่งปฏิบัติคือค่ะแล้วก็ขอวอกคนของท่าอะไรยังปล่อยไม่ได้ก็พยายามตัดมันให้ได้นะมันต้องตัดทุกอย่างเดี๋ยวเราต้องทิ้งทุกอย่างไปหมดไหมอะไรไปไม่ได้เลยของในโลกนี้โอเค ท่านนี้กอนนะขอบคุณคบคุณหลวงพ่อ่าคุณหมอสุทัาสเนธุรุฑาเนยน้ำส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าค่า<ล>ะขอให้ท่านพ ห, หเจ็บหายไข้แล้วเล้วันนี้ไปพบคุณหมอมาค่ะอ่าอ่า ของเนื้อกลอกที่หมดลูกก็ยังอยู่ในปกติค่ะไม่ได้โตขึ้นอืเราก็ใฉยๆกับมันไปเจ้าค่ะถ้ามันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันจะโตแล้วมันจะเล็กเราเราทําอะไรไม่ได้โ okay. อเคเตรียมตัว ว, ตวันหนึ่งเราก็จเทิ้งร่างกายนี้ไปลุกคน เจ้าค่ะท่านอาจารย์ลูกขอให้ท่านอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะเจ้าค่ะขอให้เราปล่อยร่างกายนี้ได้ดีกว่ามันจะแข็งไม่แข็งมันไม่มันไม่แข็งไม่ตลอดอขอให้พวกเราทุกคนปล่อยร่างกายนี้ให้ได้ดีกว่อย่าไปหวังกับความแข็งแรงมันไม่มีแข็งแรงมันมีแต่จะมันจะสุดไปเรื่อยๆตามการตามเวลาของมันเจ้าค่ะขอให้เรามีกําลังใจที่จะปล่อยมันก็พอปล่อยมันไปนะ พรับคุณเจ้าค่ะสาธุะนะโมกับคุณยายคุณนี่ไม่น่าชื่อนะลานกยายพ่อแม่ไม่มาเลยมีแต่ลายนกยายคู่กันคุณว่าคุณแม่ปฏิบัติครับพระอาจารย์ปฏิบัติเข้มข้นอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ค่อยขนัดนึ่งเข้าสู่ร อจะเน้นไปทางแบบปฏิบัติเฉยๆมากกว่าไม่ไม่เน้นออกก๊อฟอยู่เบื้องหลังครับผมคอยสนับสนุนยายหลานก็ดีถ้าถ้าทั้งครอบครัวปฏิบัติทำก็ดีครับทั้งครอบครัวไปในทางเดียวกันหมดครับมีเป้าหมายเดียวกันเป็นมุมคนเดียวกันการไม่เคยรู้เรื่องเพิ่งมาเพิ่งมาดูตอนนี้ล่ะค่ะการยายก็รู้ไม่เคยสุนนั่นเลยขอบคุ ยังไงไหมวันนี้วันนี้ให้คุณยายนั่งข้างหน้าเลยครับตัดเรื่องตอ่ <c oughs> อไป <c oughs> ครับผมพอาจารย์วันนี้มีแค่คําถามเดียวครับผมอาจารย์คือในแง่ของการปฏิบัติอันนี้อยากรู้เผื่อคุณยายครับอาจารย์คือคุณยายเป็นคนที่ติดทีวีมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับอาจารย์แล้วเราก็เตือนหลายครั้งว่าเออเราก็ปฏิบัติดีกว่าน้อเวลามันไม่เคยรอใครอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณยายก็จะบอกว่า มันความสุขเลเ็กๆน้อยๆให้กันบ้างไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ> ก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยแบบว่าแนะนําว่าควรจะทํำยังไงครับคือมันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบรณยายมันดีเกินดีตาผ้าขึ้นมาหูโหนกขึ้นมาฟังไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องก็ได้อแล้วตอนนั้นจะทํำยังไงยายก็อยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครเลย ต้องดูอ่านอยู่คนเดียวแบบไม่มีทีวีไม่ได้นะอยู่กับส่ยูกับสื่อส่วนมากก็มีอะไรตั้งหลายเรื่องเนี้ค่ะของของพระทนอหารยายก็ฟังทุกทุกวันเลยค่ะสลับระหว่างธรรมะกับอละครอะไรอย่างเงี้ยจะสลับก็สลับก็พยายามลดละครให้น้อยลงเอาธรรมะให้มากขึ้นยายก็ส่วนมากจะ ธรรมะกันนะคก็มีเรื่องของหลายอย่างนะะการพูดไม่ค่อยถูกเนี่ยเป็นเป็นโลกที่แบบกวนพระวันพระลองหยุดยังลองหยุดทางทางทีวีสักวันหนึ่งแล้วดูเอาแต่ทางธรรมอย่างเดียวชอบมากค่ะใช่ก็จะ่าวจะเตือนคุณยายให้คำนั้นเราต้องหัดอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีทีวีมาเป็น อ่าเป็นที่ที่พึ่งของเราอืเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งดีกว่าธรรมังสารนังกระชามิอ่ยายรู้นะคะว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป่ก็ดูมันเป็นเพลินเพลินไปเอยนะคะทุกทุกี่เลยหล่อไงกี่เลยหล่อให้เพินเพลนมีความ ครับผมพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยครับอต้องเป็นระดับพระอาจารย์พูดถ้าระดับผมพูดคุณหญ่ไม่ฟัไม่ได้หน่อยก็เป็นหลานไปสอนยายไม่ได้หรอกครับก็ไม่ไม่สอนครับผมให้พระอาจารย์สอนดีฉลาดดีนะโมงานที่ยนะลองลอทดสอบอาทิตย์อาทิตย์ละวันในวันพระวันพาะจะถือศีลแปดไม่ดูหนังดูละครไม่อะ อย่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะแทนนะอันนี้มีเท่านี้กับว่าคุณพันธ์อันนี้มีเท่านี้กับค่ะว่าคุณพันธ์อยู่ไห้เกินร้อยนะคุณยายต้องปฏิบัติไปที่คุณนกต่า่คุณนกคุณนกเุณเข้ามาใหม่แล้วเคยเข้ามาแล้วทำไม่ได้ อยู่ที่ไหนอัตตนีค่ะพระอาจารย์ตตตตค่ะเพิ่งเข้ามาในห้องสุ่มครั้งแรกค่ะมีอะไรไหม <c oughs> ไม่มีค่ะวันนี้ก็เข้ามากับน้ำมศการพระอาจารย์ค่ะอืมโอเคก็ยินดีต้อนรับนะติดตามไปเรื่อยๆนะป่ะจ้าทุก ท, ทุกค่ะโอเคที่คุณหมอภาษนะต่อมอ ก า, ก, การทำวมาสการค่ะพระอาจารย์ก็ยังทั้งทั้งในและนอกสมาธินะพระอาจารย์ก็ยังรู้สึกรักษาใจที่แบบความสงบแล้วก็มีความอิ่มก็พร้อมเย็นได้ได้ได้ทุกที่นะพระอาจารย์ก็ยังรู้สึกดีก็ดีทําให้จิตใจไม่ทุกข์กับอะไรได้ก็ดีก็เพราะพยายามสังเกตนะพระอาจารย์คือมีอะไรกระทบ อ, อะไรก็จะเราคอยสังเกตเหมือนกันพระอาจารย์แต่ว่ามันยังคือมันมันเหมือนกับ เปนเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ดูได้ค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเบาเพราะเราเป็นผู้ดูแล้วเราไม่ไม่ไม่เล่นแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็าแค่ดูแล้วมีต่ว่ารื่อัตแต่ว่าเรื่องแปลแล้วมีอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกแบบมันเริ่มแบบมีความแบบเออเหมือนกับว่ามันมันตรวจสังเวชเลยเออแบบมันไม่อยากไม่อยากเล่นอยากดูว่ามันมันเหมือนแบบเออมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่พระอาจารย์สอนสั่งสอนให้เราเป็นผู้ดูได้ค่ะพระอาจารย์ วก็นี้โรานี้ก็เป็นโงละครนะเราอย่าไปเล่นละครก็เราอย่าเป็นเป็นตัวเล่นเรามันเป็นคนดูดีกว่าโอ้ยสาไม่เจอไม่เนื่อยค่ะไม่เจออาจารย์สมัยก่อนชอบเล่นมากเลยอาจารย์ชอบแบบเล่นที่เป็นระบบความดีอะไรอู่คือแบบรู้ใจแล้วสมัยก่อนถ้าไม่เจอพระอาจารย์นี่คงแย่เลยชอบเล่นมากอาจแล้วก็พี่หนุ่มซือสินแปดทุกวันพูดด้วนะคะพระอาจารย์ ก็ S <S> <S ย้อนเขาเข้าซูมคาเฟ่กันใช่ค่ะก็ตอนนั้นเหลือแค่เรื่องบอลเรื่องอะไรยเงี้ยตอนนี้แกแบบตั้งใจแล้วก็เริ่มแบบเนี้ยถิ่นแปดได้แล้วค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเออเข้าสูไม่ต้องกลัวพระอาจาร์นะเดี๋ยวแกนอนฟังอยู่นะพระอาจารย์ยังไม่เขา้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเองแล้วก็คุณพ่อก็เดี๋ยวหมอก็ให้นั่งรถไกลได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดินหน้าก็จะพามาหาพระอาจารย์อมารับกลังใจแล้วก็บอกคุณพ่อว่ารอดไายคราวนี้ก็บอแบบค่อยๆเริ่มอยากให้แบบ มาหาพระอาจารย์เพื่อได้ปฏิบัติไหมคะอาาขอบพระคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์อสาธุไปที่คนที่สาลอสแอนเจลิสเอเลกลับมัสักการค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์อาจจะมีอาทิตย์ที่แล้วมีแอบเบื่อนิดนึงค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ได้เบื่อไม่ได้เบื่อการปฏิบัตินะคะเบื่อเบื่อกับ เบือบ่อ<บ>ดูแลเบือบ่อดูแลร่างกายค่ะอาจเบือบ่อแบบต้องไปตลาดต้องทํากับข้าวดูแลมันน ะ, ะรู้สึกเบื่อนิดนึงแต่ว่าก็ก็นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์นะคะว่าเดี๋ยวมันก็ตายละก็เลยเออดีขึ้นค่ะพระอาจารย์อือย่าไปเบื่อแบบอย่างตายก็แล้วกันอันนี้เป็นอย่างไม่ค่ ะ, คะ ไม่ค่ะเบื่อเพราะว่ามันเห็นว่ามันเป็นภาระไม่น่าไม่น่ามาเกิดใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรใช่ค่ะอาจารย์บางทีอยากจะตายไม่ไม่ถูกนะเบื่อแล้วมีสองแเบื่อแบบกิเลสหรือเบื่อแบบทำไม่ค่ะไม่ไม่เบื่ออยากตายแต่ว่ารู้สึกเบื่อที่แบบต้องไปตลาดต้องไปทํากับข้าวเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบมันมีภาระกับ พัะเจ้าบอกภาร ะ, ะหนักมากก็คือร่างกายเนี่ยอาจารย์คะค่ะพระอาจารย์ก็บางทีก็อยากจะมีความรู้สึกอยากจะหลบเข้านั่งสมาธิอะค่ะแต่ว่าก็มันก็รู้สึกว่าไม่ได้นะมันเป็นพระมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอะค่ะพระอาจารย์ก็สมาธก็เป็นหน้าที่เหมือนกันสมาธิก็เป็นหน้าที่เหมือนกันค่ะก็ต้องมีเวลาให้ทั้งสองอย่างหน้าที่ร่างกายก็เลี้ยงดูมันไปหน้าที่จิตใจก็ต้องเข้าสู่สมาธิ ค่ะพอาจารย์ก็รู้สึกว <lly. S 1> ่าสต <It little S 1> ิหล <vai S 1> <teenager. S 2> ุดไปนิดนึงอะค่ะพอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรการปฏิบัติมันก็แบบใหม่ๆหม่ันก็ร่วมร่วงลอยลอยอย่างนี้ไปต่อไปมันก็จะค่อยๆเข้าลู่เข้ารองเข้ารอยเหมือนจะเริ่รู้สึก ค่ะพระอาจารย์เมื่อวานลูกก็คิดว่าเอ๊วันพุธและเวลามันเร็วมากเลยค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าลูกเพิ่งเข้าสู่ก่ะคระอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้แบบมันเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเมืนเมื่อวานนี้นะเหมือนเมื่อวานใช่ค่ะค่ะก็เลยนึกถึงคําพูดของอาจารย์ว่าเวลามันเหมือนมูใหญ่กืนกินไปทุกสรรพสิ่งก็เลยคิดว่าโอ้เราต้องเราต้องคือรีบรีบแล้วต้องรีบแล้วเราจะไปคิดค่ะเราความความสติหลุดนั้นมันก็หายไปอะค่ะเราก็อยากไปคิดว่า จะเบื่อจะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออใจก็โล่งก็ดีค่ะอาจารย์บางทีบางทีใช้ปัญญาแต่บางครั้งมันก็เป็นสัญญาแต่บางทีมันก็มันก็มันก็ไม่เป็นปัญญาแต่ก็เป็นสัญญาบ้างอะไรนะค่ะก็คิดไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติมีรูที่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์พ่มันมันช้อร่างข้อร้อมันก็เป็นปัญญาไปก็มีค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นปัญญาขึ้นมา ค่ะพระอาจารย์คือถ้าถ้าอย่างนี้แบบตอนหลังออกจากสมาธินี่ก็มาคิดถึงปัญญาบ้างก็อาจจะได้ช่วยได้ไหมคะพระอาจารย์ทํ า, าทให้แบบเรียก ว, ว่าร่างากายเป็นตายแล้วไม่เที่ยงค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็คิดถึงเรื่องความตายแล้วก็คิดถึง<ม>สิ่งที่เจมส์เซจจัตดี้เขาท่องนะค่ะกขาท่องสามค่ะก็ช่วยได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพะอาจารย์สาจค่ะสาทุค่ะะอาจารย์ท้าขนแข็งแรงนะคะพะอาจารย์ไปทีนนอุดรธานีนันค่ะานสกคะพระอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะโอเคไปที่คุณอนอนท์าท์น่พรรนามัสการคะพระอาจารย์ ได้ยินไหมคะัวมั้ชัดเจนชัดเจนอาจารย์คะลูกมีคําถามว่าเวลาบอกให้บริการพุทธโททีทีคือเหมือนเราพยายามฉัดดับเวทนาตอนนั่งทีทีเพราะเราสังเกตตัวเองว่าพอเราพยายามบริการพุทธโททีทีมันจะชอบเหมือนกั้นหายใจเลยไม่รู้ว่าจังหวะของคําว่าทีทีคือเราไม่ต้องทิ้งทิ้ลมหายใจไปเลยไม่ต้องไปผูกกับลมหายใจเวลาเราต้องการจะบริการทีที เอาแต่คำอเไรกันเลยมันพูดเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นเดูที่ลมหายใจเอาเน้นพูดเหมือนเราพูดเร็วๆคือเราไม่ต้องอ่าไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องลมเลยเพราะมันลมมันไม่มันไม่เร็วตามเพราะลมมันมีจังหวะของมันพอลมไม่เร็วตามลูกเอ้าตายละเอ้ลมลมไม่ไปด้วยกันงงละเอาเอาพูดโธอย่างเดียวเลยถ้าถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องไม่ว่ามีอะไรว่ายึดเหนี่ยวจิตใจที่จะต้องทําพูดโธให้เร็วขึ้นก็ทิ้งทิ้งลงไปเลย ออืเราจะได้เข้าใจพรตอนแรกไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเอามันลมกับทุกโทรเอ้ลมลมไมันลมมันไม่ทันเพราะเราจะถี่กว่าคือเร็วกว่าเราใช่ถ้าเราต้องการให้มันถีเราก็ท้งลมไปเลยอืต้องหลงังตอนหลังก็เลยเออทำไมลองจังหวะเหมือนกับพูดโทรแลก็นึกหนึ่งมัอนเหนมันนับนิ้วเข้าใจเหมือนกับอันนี้ก็เลยหายใจปก<ม> ต, ติแล้วก็เหมือนมันก็ต่อเนื่องเราก็เลยรู้สึกเหมือนมีที่ยึดแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าไปเหมือนเรานับนิ้วอยู่ใน ในใจเว่าพุทโธถ้าเป็นไปถ้าเป็นไปได้อย่าไปถูกพุทโธไว้กันลมเดี๋ยวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกวนะ่าพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวนะดีกว่าใช่ไหมงั้นต้องต้องจะได้ลองทิ้งลมหายใจไปเลยเพราะตอนแรกกังวลเหมือนมันไปไม่ทันกันแล้วก็เลยเลยงงว่าควรจะยังไงอืมได้ค่ะแล้วเจอแล้วถ้าเกิด ที่สงสัยคะ่ะเชิงบางทีบางวันอย่างเงี้ยเราพยายามจะดูลมหรือพุดโธแล้วมันไม่สงบแต่พอเราเปลี่ยนไปเช่นพิจารณาเรื่องยกอวัยวะอันนึงขึ้นมาตามภาพที่เห็นนะนะคะมันอาจจะแบบเหมือนเราจะนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเราทําได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ก็อวัยวะก็เป็นกรรมาฐานอย่างหนึ่งเหมือนกายกตาสติอืมอันนั้นเราก็ทําเปลี่ยนไปทําอย่างนั้นก็ได้ไดใช่ไหมได้เราถึงความตายบ้างก็ได้บางทีก็ช่วยได้ เลิกถึงซากสมบ้างก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าอารมณ์ของเรามันตอนมันตอนนั้นมันต้องการอะไรมันะมามามาระงับมัอนเหมือนกินยาน่ะบองที่ปวดหัวก็มาทานยาแก้ปวดมันกินปวดแก้ปวดหัวพอปวดท้องก็ต้องเปลี่ยนยาไปคือทำได้คือก็ไม่แน่เอ๊ะเหมือนกับว่าปกติจะเน้นให้ดูลมหายใจกับพุทโธก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้เราไปกระโดดข้ามขั้นไปส่วนของไม่แล้วมันเป็นการชั่วการปฏิบัติมันไม่มี เวลามันขึ้นบนเวทีมันบางทีต้องใช้เขา่าใช้สองเมือนกันมันไม่รอขั้นตอนตอนนั้นแล้วแต่อาวุธไหนมันเหมาะสมมันใช้อาวุธ น, นั้นไป อ, อย่างนั้นก็แสดงว่าไปได้ท่านยงก็เอเป้าหมายก็คือขอให้าจาย์เราสงบจากการใช้กา ร, รมาทานแบบนั้นก็ก็ใช้ได้ค่ะวันนี้เวลาเราดูรูปศพเนี่ยคือดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกจริ ง, รงๆเราไม่ได้เป้าหมายคือเราไม่ได้ดูให้กลัวใช่ไหมคะท่านคือดูเพื่อ น, น้อมมา ือให้เพื่อมันเห็นความจริงว่ามันไม่ได้สวยงามเลยเ<ม>วลาเราเห็นใครสวยงามแสดงว่าเราหลงนะ่ะเรามาแก้ความหลงนั่นเองเพราะว่าก็เลยไม่แน่ใจเอ๊ะทำไมเราไม่กลัวมันถูกหรือเปล่าหรือเขากนมากันออกจริงคือเราดูเพื่อเอามาใช้ในการ น, น้อมดูเพื่อให้เราใจเฉยๆกับร่างกายแต่เวลาเราไปยินดีกับมันเราก็ต้องรังรับความยินดี<อ>ให้มันกลับมาเฉยๆเหมือนตอนนี้อืม นุยก็ได้แนวทางดีขึ้นค่ะเพราะตอนแรกกังวลกับลมหายใจกับพุทโธ ท, ทีๆเลย ม, มาว่าเดี๋ยววันนี้มาขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์งั้นเดี๋ยวจะบางทีเวลาอยู่ลงไปเรื่อยๆนะเจ็บนี่นดูลงไม่ได้แล้วใจมันจะไปกันวนงวลกับเรื่องความเจ็บก็เปลี่ยนลบทิ้งลมไปแล้วก็พุทโธพุทโธอย่างเดียวเลยให้มันเกาะแต่อยู่กับพุทโธเพื่อไม่ให้ใจไปกังวลกับเรื่องความเจ็บเราจะได้ผลอยู่ค่ะมันก็เพรอเราทีขึ้นนะ มันมันเหมือนแบบความตรงนั้นมันหายแล้ย้ายไปอยู่ตรงความที่ของพุตโตอย่าให้มันไปอยู่กับอย่าอย่าปล่อยให้มันอยู่ความเจ็บพราอยู่ความเจ็บแล้วมันจะเกิดความทรมานใจขึ้นมาอก็วันนี้ได้คําชี้แนะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนูกจะไปลองลองดูครับว่าไม่ทิ้งลมไปเลยเราก็ไปต่อแต่ความทีของลองเท่าลองดู การปฏิบัติก็ต้องมีลองผิดลองถูกไปเป็นธรรมดานไม่ต้องกองังวลขอให้ดูที่ผลว่ามันทําให้จิตเราสงบหมือไม่ก็วันนี้มีคําถามเท่านี้ค่ะพี่ซานขอให้ไปาจาัดไปเลยค่ะขอให้ปล่อยวางร่างกายดีกว่าอย่าไปขอให้แข็งแรงเลยให<อ>มันไม่มีวันแข็งแรงหรอกถ้า แ, แข็งแรงก็ไม่ต้องตายกันอยู่กันไป ใช่ค่ะจริงๆโยรู่งยังคิดได้ว่าโอ้ขั้นแรกเลยนะถ้าปล่อยวางไอ้ความเจ็บปวดขาได้นี่สงสัยจะเป็นขั้นแรกของการปล่อยวางร่างกายแน่ๆเลยอ่าต้องปล่อยวางยุติ้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของมั น, นออย่าไปอยากให้มเป็นอย่างนั้ได้ค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อาสาธุอ่จารคุณเอกเชียงรายอะไรยังไง การรำมรสการพระอาจารย์ครับอืมมีอะไรไหมก็วันนี้ก็เข้ามาร่วมรับฟังกับพระอาจารย์เป็นยังปฏิบัติอยู่กับพระอาจารย์อืสบายแล้วใช่ไหมตอนนี้จิตใจสบายไม่ทุกข์กับอะไรนะก็ก็ก็มีอยู่ครับพระอาจารย์ครับยังมีอยู่เลยยังมีอยู่เลยมีอยู่พรับว่าไปทุกข์กับมันทําไมล่ะเฮ้ยวันที่มันถ้ามันมัน มันดีแวบมาก็บางทีแบบเฮ้ยถึงสักวันก็ต้งตายแล้วโอ้โหเออมันมันก็มันก็วางไงนะครับอาจารย์ครับแวบเข้ามากิเลสมันก็ยังมาหลอก็ได้อยู่นะให้ครับอาจารย์ครับเหมือนกับเหมือนตอนเช้าเนี่ยครับอาจารย์กําลังนั่งทํางานทําอะไรมาคิดนะที่ทําไปทำใหม่เบื่อมันกับปัญหาอะไรพวกนี้เข้าป่าไปอยู่ในป่าในวัดดีไหมอย่างเงี้ยมันแวบเข้ามาครับอาจารย์อย่างเงี้ยครับ อย่างหนีไปดีกว่านึกทำาป อ, อันนี้ก็ <บา S 2> ดีนะกินอย่างนี้ก็ดีเหมือนพระพุทธเจา้ามันบอกเลยเบื่อที่หาไปทําใหม่ทำทำมาทํางานมีเรื่องอะไรไหมอยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์มันก็มีแวบมาครับใช่มันใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาได้ออกบูชาครับอาจารย์สงสัยใกล้ใกล้เวลาเพราะว่าทุกๆุครั้งที่พระอาจารย์ผมให้ทุกครั้งถ้าเกิดมีอพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เอดับขัน กลับขันไปอย่างเงี้ยผหก็จะน้อมมาว่าเออต้องรีบอะต้องรีบปฏิบัติและอะไรประมาณเนี้ยครับอ า, าจารย์ไม่ใช่ครับมันทานอาจารย์อะไรเพิ่งเสียไปมาสองวันนี้นที่อยู่ที่ห<ร>ลวงปู่หลว ง, งปู่ห้บุญครับพระอาจารย์หลว ง, งปูป่ไพบุญท<ง><ง>่า น, านา<ง>ที่เสี่ยงของครับอครับก็เข้าไปการาบท่านก็อยูสองสามครั้งนะครับอืมแต่ก็ไม่ได้ไปไปเมื่อปีสองพันยี่สิบนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปตอนนั้นไปทีวัดเก่าไปที่วัดเก่าใช่ไหม ที่ที่วัดที่ที่เชียงของครับอาจารย์ครับท่านย้ายไปแล้วเหรอเมื่อก่อนท่านอยู่ที่เชียงไงอ่าท่า น, นย้ยายไปที่พะเยามอก่อนเดียวครับอัศสรากำเนี้ยถ้าผมแช่ครัมย้ายย้ายไปอยู่ที่เชียงของไปก็ไปสนทนา ก, กับท่านอยู่ครับก็มันมันมีความรู้สึกเหมือนกันนะครับอาจารย์เนความแบบว่ามันเย็นนะฮะเวลาคุยเวลาอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ในป่าในเขาสงบอยู่ในป่าในเขาสงบจะตายมปยช่ก็ไปนั่งนังกับท่านสนทนากับท่านอยู่อยู่สองสามครั้งนะครับครับผมก็น้องเข้ามาเหมือนกันนะครับเวลาไอพ่อแม่ผู้บาอาจารย์จากไปก็รีบแล้วเราต้องรีบแล้วในใจแบบมันมันกระตุ้นัต้องรีบต้องรีบทาแล้วอย่างเงี้ยครับเรียบเรียนตัวรีบเรียนตัวทิ้งท้งอย่างไว้หมดนะยังไม่หมดครับไม่วันกันอะไร ก็มีเ อ, อวันพักที่ผ่านมาก็ปฏิบัติถือเนสัญชิกคาาารับอาจารย์ช่วงเริ่มต้นก็มี ม, ม, มีแบบว่ามีนิวรนน่มງมากครับอาจารย์ก็เปลี่ยนผ้ามานั่งบ้างยืนบ้างครับอาจารย์อืก็เลยเลยเที่ยงซึมไปครับอาจารย์ยก็มันไม่ง่วงเลยครับพระอาจารย์ครับรอืมันอยู่เบาสบายครับอาจารย์ดูลมไปเรื่อยๆครับอาจารย์ ตีสองตีสามมันเงียบครับอาจารย์ก็ดูไปได้ยินเสียงครับอาจารย์เสียงไกลๆครับเสียงรน่าท้องอะไรพวกนี้ฮะแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปสนใจอะไรครับอาจารย์ก็แวบๆเข้ามาแต่เสียงอยู่ไกลอยู่ครับอาจารย์ไี่อยู่แต่มันมันเหมือนกับไม่มีนิวนร์นึกเปล่าครับอาจารย์มันไม่เ ม, มื่อยไม่ปวดไม่อะไรครับอาจารย์ก็ แบบโล่งไม่ง่ว ง, รงครับอาจารย์เจนมัสนสงบเจนมันเบาเมันก็นเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่เดืดร่าอะร่างกายต่ำเบาสบายแล้วอาจารย์ก็อยู่งั้นไปจนถึงประมาณตีห้ 5, าครับอาจารย์ก็ก็ปกติถ้าถ้าถ้าออกก็คือเมื่อทีมันจะง่วงจะเหนื่อยจะเพียแต่แต่หลังจากที่ออกมามันมีีรู้สึกอะไรครับก็ไม่ง่วงไม่อะไรก็ปกติครับอาจารย์ครับก็ดี แสดงว่าจิตจติมีความสงบถ้าไ ม, ม่สงบ ม, มันจะ ง, ง่วงก็ไม่ ง, ง, งม่วงเพปกติก็ได้ถ้าออกมามันมง่วงก็ผมอาจจะไปงีบสักชั่วโมงอย่างเงี้ยครับชั่วโมง <_ d ata> ชั่วโงกว่าเงี้ยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ง่วงแลยครับก็เหมือนปกติเหมือนเานอนอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ <ทำ S 1> นี่กาไม่ว่างก็ดีปฏิบัติตามก็ที่เเลยเอ่อมานําเรียนอา จ, จารย์นะครับครับผมครับก็ <_ d ata> รู้ตามสภาพความเป็นจริงของมันเท่านั้น รู้ว่ามันก็ไม่แน่นอนบางทีมันก็เป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วกันครับผมดู่ต า, ามความเป็นจริงของมันไปตามตามผมตามความเป็นจริงนะครับอ่ามั่วงก็รู้ว่ามันง่วงมันไม่ง่วงก็รมมู้ว่าไม่งวอย่าไปอยากครับรรรรรครับครับอย่าไปอยากน ะ, นะครับผมอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมครับจ้ อกุญโญว่าพีเคพี่เกดโอ้ลังฝังลงสักการพาจานเจ้าค่ะพาจานได้เสียงไหมเจ้าคะได้ยินจ้า <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนเจ้าค่ะเจ <c oughs> ค่ะวันนี้มีคําถามเจ้าค่ะพาจารนคือลูกอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกปฏิบัติผิดตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะอาจารย์เพราะว่ามีคนทักมาว่า การปฏิบัติของลูกอ่ะเรียกว่าเป็นวิปัสสนูอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือไม่อยู่คืนหนึ่งลูกอ่านอนเร็วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วลูกตื่นมาแต่เที่ยงคืนกว่าเป็นปุ๊บแล้วลูกไปปฏิบัติอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนมันก็ยังฟุ้งอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ลมหายใจก็เอาไม่อยู่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพื้นท้อก็เอาไม่อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะนั่งไปประมาณน่าจะสองชั่วโมงใกล้ๆสองชั่วโมงเจ้าค่ะพระอาจารย์ ว่าทีเนี้ยลูกก็เลยจำคำพระอาจารย์ได้ว่ายอมตายอะไรเงี้ยจ้ะค่ะยอมตายแล้วเราก็ значит, เ อ, อ้ยอมตายยอมตายยอมตายไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเบาเป็นพักๆอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าความเจ็บอ่ะมันมันหนักมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกเจ็บตรงอ่าหลังหลังเท้าที่มันมันโดดทับกันอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็เลยเป็น น, นึกถึงว่านึกถึงว่าพระโสดาบันอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าท่านก็ต้องผ่านตรงนี้ผ่านความเจ็บตรงนี้ไปท่านต้องยอมตายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยนั่งต่อไปจนถึงว่า มันจะฟุ้งก็จริงแต่ว่าพยายามว่าคือไม่ให้มันลุกเจ้าค่ะพี่อาจารย์แต่มีมีขยับขานิดนึงเพราะว่ามั น, ม, นมันปวดมากแต่ไม่ได้ยกขาออกนะเจ้าค่ะก็เลยนั่งนั่งไปจนถึงเอ่อเกือบเกือบน่าจะประมาณตีเกือบเกือบตีสี่เจ้าค่ะพี่อาจารย์มันมันปฏิบัติตรงไหนผิดไหมเจ้าคะพี่อาจารย์เพราะว่าพอมีคนหักมาอย่างนี้แล้วก็ไม่แน่ใจในการปฏิบัติอย่างนี้เจ้าใจเราเป็นยังไงนะดูผลที่ใจเรา ใช่เราอยู่ความเจ็บได้หรือเปล่าคือมันมันมันยิ้กับเจ้าค่ะพระอาจารย์ระหว่างว่าใจนี่คืออยากจะปล่อยร่างกายอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ไอความเจ็บอ่ะมันก็ดึงไปว่าให้ไปโฟกัสตรงที่ความเจ็บแล้วไอตัวที่อยากจะปล่อยก็อยากจะยอมอยากจะยอมตายอย่ากันคืออยากจะลองดูอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือคือจําได้ว่าเพราะว่าคือเหมือนเราหนูฟังธรรมมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือว่าว่าเวลาปวดเวลาเจ็บก็คือไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็เลยลองลองไม่เปลี่ยนท่า้งอย่างนี้เจค่ะพระอาจารย์อืม่น่าหลักก็เราต้องการปล่อยเวทนาปล่อยความเจ็บให้เป็นไปตามเรื่องของมันโดยที่ไม่ไปแก้ไขดัดแปลงมันปล่อยมันเป็นไปให้มันหายไปเองถ้ามันจะหายถ้ามันไม่หายก็ก็รู้ว่าไม่หายก็ออยู่ต่อไปก็คือถูกต้องแล้วใช่ไหมเ้าค่ะพระอาจารย์พรพอมีทักว่าเรียกว่าเป็นวิปัสสนูรุกเลยไม่แน่ใจอย่างเจ้าค่ะอืม ก็อย่าไปคุยออกับคนอื่นมากเรื่องการปฏิบัติของเราไปคุยออกับคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเราก็พูดไปเอาไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรไปกันใหญ่เลยเรื่การปฏิบัติของเราถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปพูดคุยกับ ค, ค, ครแล้วคุยกับอาจารย์เนี่ยคุยกับผู้ผบ่าวอาจารย์นั<ป>้นนั้นอย่าไปคุยคุยแล้วก็ทะเลาะ ก, กันว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปมันพวกตาบอดคําช้างด้วยกันนะ คนหนึ่งก็ว่าเป็นงาค น, นก็ว่าเป็ น, ปนห อ, อกค น, นก็ว่าเป็นเชือกเข้าใจไหม เ, เ ข, ข้าใจแล้วเจ้าคะอาจารย์ไวเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อสู้กับความเจ็บให้ได้เพื่อปล่อยวางความเจ็บไม่ไปยุ่งกับความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปออืถ <Okay. S 1> ้าไปขยับนิดหน่อยเราทนายว่าตัดต้องถูกตัดคะแนนนะไม่ให้ไม่ไม่ให้ขยับ มันขยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เต็มร้อยนะเจ้าเองเจ้าตาว่าว่ามันมันร้อนตรงที่ท้ากันมากเจ้าครอาจารย์เหมือนกับว่านนมันก็ปล่อยมันน้อนไม่เจ็ครับปล่อยมันร้อนไปเราต้องการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางมานัมนเว <c oughs> ล, ล, ลาไปขยะมันนก็ถูกต่อยคะแนนนั่นเนี่ย <c oughs> ไม่เต็มร้อยได้ไม่เต็มร้อย <c oughs> เดี๋ยวดี๋ยวไปสอบซ่อมใหม่เจ้าคับอาจารย์เอ่อ่าปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็อยู่พุทโธไปอยู่กับอะไรไป อยู่กับปัญญาบปนัตตาว่าก็ได้เอาไปละนัตตาเอาไปควบคุมบังคับไม่ได้เจ้มีมีมาเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าช่วงที่เกิดอาการใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก็หาทุกวิธีที่ว่าจะไม่ให้ไปโฟกัสตรงอาการเจ็บนี้เจ้าค่ะอาจารย์แต่นี่พอใช้ได้หรือใช่ไหมเจ้าคะได้นะขอให้เราสามารถนั่งเฉยๆต่อไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายกับความเจ็บนะปัญหาอยู่แค่ตรงนั้นค่ะ แต่ช่วงนี้ก็มีบางวันก็นั่งแบบว่านิ่งๆได้อยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือน mm hmm. เหมือนวันเนี้ยก็มีข่มมันไปบ้างขู่มันบ้างอะไรอย่างนี้นค่ะถ้าเกิด mm hmm. คุณสั้นนักก็ไม่ต้องไปกินข้าวนะไม่งั้นก็ไม่ต้องลุกไปเดินให้นั่งอยู่นี้นั่งตั้งแต mm hmm. ่ประมาณอ่าที่ที่สามกว่าที่สี่ประมาณนี้ค่ะก็คือขูว่าจะไม่ให้กินข้าวอะไรอย่างนี้ยก็ด mm ึงกลับมาได้แล้วก็อยู่ที่แบบว่าลมหายใจเบาๆอยู่ตรงนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์อยูแป๊บหนึงอะไงนเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็เลยตอบเลยว่าเออเดี๋ยวให้กินข้าอะไรี้ ก็อดีก็เราต้องใช้อุบายหลายๆหลายๆวิธีด้วยกันในการจะปราบปีเลนเนี่ยโอเคไม่ยากมากอีกนี้พิงค่ะค่ะไพจารย์ก็คืออย่างอย่างรูปแบบปฏิบัติยุ่ลูกจอมรับว่าเรามีเป้าหมายใช่ไหมเจ้าค่ะไพจารย์ลูกเสีอลูกหลักแน่นในพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ไาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเรารู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรอย่างลูกยํารับว่าเราเห็นทุกเจ้าค่ะไพจารย์คือไม่อยากกลับมาเกิดอย่างเงี้ย ก็คือเป้าหมายตรงเนี้ยเรามีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าก็ต้องมีนะ่ถ้าไม่จะปฏิบัติไปหาอะไรนะัก็เราไม่มีเป้าหมายนะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใช่จ้วว่าจะเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้กระตุ้นให้เราปฏิบัติค่ะก็คือลูกก็จะได้ปฏิบัติต่อเนื่องตลอดเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไปทําไมะรักษาแพ่อให้โรคภัยมันหายไม่ได้ เมืม่อเรามีทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อมาให้มันทุกข์ไงจะค่ะแต่ทุกข์มันมีสองอย่างทุกข์กายนี้เราไปทุกข์กายนี้เราไปกําจัดมันไม่ได้เรากาจัดแต่ทุกข์ใจอย่างเดียวเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจแล้วแล้วผลอะเราเราไม่ต้องไปไปหวังไปอะไรนี่ใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าเราตั้งปวาหมายตัวนี้ได้อมันต้องอยู่ที่เหตุมันอยู่ที่เหตุมันไม่อยู่ที่มันไม่อยู่ที่ความหวังมันอยู่ที่เหตุ ว่าปฏิบัติไปเรื่อยเดี๋ยวผลก็จะตามมาเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อช่มันกินข้าวกินไม่เรื่อยเดี๋ยวมันก็อิ่มเองอะถ้าไม่กินต่อให้ต่อให้มันอยากยังไงมันก็ไม่อิ่มเนาะนะคะเพราะว่าพอดีว่าลูกเคยกับเรียนถามพระอาจารย์ไป็นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่ามี ม, มีมีคนเข้าทักมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรื่อ ง, องอการถูกคนจัด ก, การเป็นไหวต้ตาเกีย่อนในชาตินี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้คือมันอิ่มไร กับรายการหลายภพหลายชาติานี้เจ้าขาาา้าพเจ้าแต่ลูกอะ่ะพอลูกฟังพเจา้าแล้วคือลูกเชื่อมั่นว่าคือตอที่อาจารย์แนะนาให้ไปอ่านนะคะสติประฐานสูตรเจ้าขาาา้าพเจ้าอ้าวหนูสิเขาไม่อ่านกันเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดกันเป็ น, นเป็นตัวเป็นากไปพระอาจารย์เค ย, ยพูดแลว่าต้อ ง, ต, องต้องหลายภพหลายกับหลายกันไม่ใครพูดเลย mm hmm. ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนั่งพูดเะยไม่เชื่อกันลูกเชื่อขาาา้าพเจ้า กับไปเชื่อเรื่องงมงอะไรก็โอเคนะอย่าไปคุยกับคนมากกันไปอย่าไปคุกเคียบกับคนอะไรอย่าไปคบกับคนผ่านพูดง่ายๆพูดง่ายๆพูกคนผ่านนั้นแหะพวกไม่รู้ธรรมะอะไรกคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตคุยกับบัณฑิตคุยกับพระสวสดาพระสกิรดาคาพระนาคาพระหลานนี่คือบัณฑิตนะพวกพุทธศาสนา ผมว่าคุณเจ้าค hey, ่ะอาจารย์ว yeah. <Okay>. uh, ันนี uh, we we l, ้มีเท่าที่เจ้าขาปฏิบัติธชาทุกวันเจ้าขาอาจารย์ขับสายพุ่เจ้าค่ะอ่าวันที่คุณปุ้ยนักสมเบอร์คุณปุ้ยยังติดเครื่องสมางอยู่ยังติดเครื่องสมางอยู่เอาโน้ตกันด้วยอาจารย์ มันยังอยู่มีอยู่ข้อเดียวนะอะมันห่ะจะหลุดมันหล่จะหลุดทันทีแล้วเวลามันใกล้จะหมดแล้วเร็วเร็วนี้แหละเร็วเวนี้แหละอาจารย์โยมอ่ะไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่สบายช่วงนี้อ่าคือมันเหมือนกับว่าจะเป็นไข้หวัดแล้วแบบว่ามันเจ็บคอแล้วมันแบบมันมีเสมหะแล้วก็มันก็มีน้ำมูกอ่ะฮะเหมือนอย่างเราเคยพระพุทธเจ้าท่านว่าไงล่ะเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ใช่ค่ะโยมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้แต่แต่ไม่เคยลดเลยเพราะว่าการปฏิบัติเพราะช่วงนี้โยมก็ปฏิบัติเข้มเพราะว่ามันข้างขึ้นโยมสัญญากับพระอาจารย์นั้นเร็วมากเลยอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเข้าซูมนะแบบโอโ้วันพุธแล้วอนเนี้ยี่แต่ว่าโยมก็ปฏิบัตินะฮะเพราะว่าโยมก็นั่งนั่งสมาธิเนี่ยวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงบางทีก็เลยค่ะ นะฮแล้วก็พยายามไม่แบบคือใจมันไม่อยากจะไปติดต่อกับใครอะ่ะคือมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราไม่เอาคนนะคะเหมือนอย่างที่เคยบอกกับพระอาจารย์คือมันรู้สึกอยากจะมีโรคส่วนตัวแล้วมันรู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วแล้วเรารู้สึกแบบว่าถ้าเราต้องไปคุยอะไรนี้คือเรากลัวเราจะผิดศีลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเกินเลยไปถึงเพอเจอร์ของเพอเจอร์แล้วมันจะทําให้เราผิดศีล น, นะฮะก็เลยแบบ เราไม่อยากจะให้ตัวเราเนี่ยผิดสีมากแล้วเ้าเราตั้งจิตได้แล้วว่าเออพรนศานี้เราจะต้องทำให้เต็มที่นะคะถ้าถูกต้องเนี่ยนั่งปฏิบัติต้องไม่คุย ก, กับใครต้องอยู่คนเดียว ม, มันก็รู้สึกสดชื่นแล้วแบบถึงถึงเราไม่ได้คุยกับใครแต่เวลามันรู้สึกล่วงเลยไปเร็วเหลือเกินมันแบบวันแล้วหรอเนี่ยอา้าวโอ้โวันอีกแล้วหรอเนี่ย แต่มันมันก็สนุกนะฮะเหมือนกับการเออ่วิ่งไล่ขับตัวเองอะจ่ะดีดีแสดงว่ามีความสุขถ้าเวลาผ่านไปเร็วแสดงว่ามีความสุขถ้าเวลาผ่านไปช้าแสดงว่ามีความทุกข์เหมือนคนติดทุกขเนียว่าแต่ะวันโอกาสจะหมดไปให้มันช้าเหลือเกยนใชแต่ว่าโยมเนี่ยคือว่าไม่เคยกดน้ําลงดินนะฮะแต่กโยมกดน้ํำอมินาค่ะกดน้ําทุกวันทุกคืนทุกเช้าทุกเย็นแต่ว่ามันคือคือคือถามว่า เอาลงลงไปในดินได้ไหมบ้านเรามีกระถางแต่ว่าเราไม่ได้บ้านเราไม่ได้อยู่ติดดินอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องใช้น้ําเลยไม่ต้องใช้น้ำเลยใช้ใช้น้ำใช้ใจตั้งใจจริงๆฮะและแต่โยมมัาทําผิดศีลเอ่อเพราะว่าโยมไปเผลอเตะเอตีตีอย่างเงี้ยตีตีไอไอไอแมลงอ่ะตัวนี้เดียวมันไม่ใช่แมลงวันนะฮะมันเป็นแมลงตัวดําๆมาตัวนี้เดียวจริงๆเลยและโยมก็ อุ้ยขอโทษลืมไปลืมไปขอโทษแต่โยมก็เลยไปขอโทษพระพุทธเจ้าว่าโยมขอโทษนะมันเป็นตัวที่มันกัดแล้วมันคันน่ะเอแล้วโยมก็เลยบอกว่าขกเข้ามาจริงๆโยมก็กดน้ําให้ไปแล้วอ่ะค่ะแถมันให้เลยขอโทษไม่ได้เลยแล้วก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นบ้างตั้งวันหนึ่ง <laughs> อ่าไปเป็นมอะไร ใ, ให้เขาตก บ, บ้างกวนแทงก้ามมันเป็นอย่างนั้นอ่ะขอโทษไม่ได้หรอก เพียงแอย่าไปทํามันเท่านั้น ถ, ถ้าไม่ต้องการมีโทษก็อย่าไปทํามันถ้าทําไปแล้วเดี๋ยวโทษมันก็ตามมาเมื่อวนั้นก็เจอแมงมุมโยมก็เอาเอากระดาษเอามาจับยัแล้วก็เอาไปปล่อยที่หน้าต่างอ่างานดีได <laughs> ้แต่ไอตัวนี้มันนี่นเกี่ยวเองพระอาจารย์มันแบบนั่นแหละมันจะนี่เดียวมันก็มีใจเหมือนเราล่ะใจของมันกับเราเท่ากัน <laughs> เออพระ <laughs> อาอจารย์ฮะโยมมีเคียงเรื่องเดียวคือคือ ตอนเย็นเนี่ยยมไม่สบายอยู่ช่วงนี้ยมเจ็บคอคือมันมีเสมหะและทีนี้มันมีคล้ายๆกับลูกอมะอะยูคาลิปต์เนี่ยฮะมาให้ยมอมเนี่ยแล้วคือถ้าโยมเผลอเคี้ยวเข้าไปนี่มันจะผิดตีนไหมคะอ่าไม่ผิดหรอกเคี้ยวในอมมันก็เหมือนกันนะถ้าเข้าไปในปากแล้วถ้ามันเป็นของไม่ควรเข้าไปมันก็ผิดอันนี้นี่มันเป็นยาเนีย่ยยูคาลิปต์นี่ก็เลยถือเป็นยา ใช่แต่เราไม่ได้ว่าเราอยากจะกินแต่ว่าพอเป็นเพียงเพียง เ, เ, เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับยาลูกอมแต่ว่าเราเจ็บคอเอ่กินได้กินได้อยากไม่อยากก็กินได้ไม่ผิดศีลนะใช่แล้วแบบแบบคือยมยมก็บอกกับพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมเป็นอะไรไม่รู้ที่ที่แบบว่าคล้ายๆปวดหลังปวดอะไรงนี้ทีนี้โยมก็เลยเออฟังเหมือนกับพี่คนนั้นที่พูดว่าแกไม่สบายแล้วแกก็ใช้แบบ ปอยไปตามธรรมชาติแต่นี้โยมใช้สมาธิโยมนึกขึ้นมาได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าอให้ทําสมาธิโยมก็นั่งเลยแบบนั่งแบบวันนั้นน่ะนั่งแบบชั่วโมงกว่าเกือบจะสองชั่วโมงอะ่ะเพราะโยมฟังพระอาจารย์เสร็จปุ๊บตอนเช้า ว, วันเสาร์มั้งแล้วโยมก็ฟังนั่งต่อไปเลยนะแล้วแบบคือมันเหมือนจะมีอะไรอะอูกขึ้นมาแล้วแบบหลังจากนั้นระหว่างที่นั่งสมาธิโยมหายนะโยมไม่เป็นไรโยมก็เลยทําต่อไปอีก พอหลังจากนั้นหนึ่งวันโยมก็หายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโดยที่โยมไม่ได้กินยาเลยเลยไม่ได้ไปหาหมออืได้โลคบางโลคมันเป็นเองแล้วมันหายเองได้ใช่ค่ะแต่ไม่ได้หายมันไม่ได้หายว่าสมาธิของเราหรอกสมาธิทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันทั้งนั้นจริงค่ะแล้วยมก็พยายามคิดบวกแล้วยมไม่ไม่ไม่ไม่ไมฟังเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้มันไม่มีเวลาเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเราเราไปแค่ไปดู เทปฟังทำอะไรอย่างนี้มันไม่มีเวลาไปเล่นไปดูหนังเลยนะพะเวลาถ้าดูหนังปุ๊บแล้วมันจะเพลินอะ่พะพอมีวันนึ่งยมไปดูเอ็ละครสรั้นปุ๊บมันเพลินมันไม่มีมันลืมนั่งสมาธิตอนนั้นคือเลยไม่เอาแหละบอกต่อไปนี้ตั้งเป้าหมายใหม่บอกไม่ได้ไม่ได้บอ ก, บอกเลยเตือนตัวเองแบบคือ <c oughs> คือเราจะรู้ตัวเวลาเราเผลอไปเราจะรู้ <c oughs> ตัว ด, ดูละครก็ผิดแล้ว่ะเราเคยสิดแปดดูละค ร, ะครไม่ได้ <c oughs> ใช่เออยมก็เลยบอกว่า ไ ม, ไ, ไม่ไม่ได้เว้ยทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เออเนี่ยแต่ว่าแบบช่วงเนี้ยโยมแบบรู้สึกไปเลยว่าตัวเองไม่สบายเพราะว่าเป็นแบบมันอากาศมันเย็นๆด้วยแล้วน้ํามูกมันไหลแล้วแบบมันเป็น เ, นเสมหะแล้วก็เลยก็เลยเอ๊ะเราผิดสินบอกว่ารากินไอ้ลูกอมยูคาลิปต์เนี่ยแล้วมันไปเผลอเคี้ยวแล้วเราก็เดี๋ยวไปถามพระอาจารย์ดีกว่าลูกอมไม่เป็นไรหละแต่ดูดูละครเน่ยเป็นห้ามดู ขอเดอกันเดี๋ยวไม่ทำแล้วกันพระอาจารย์คะไม่มีอะไรแล้วคะโยมจะมารายงานเฉยๆค่ะมาถวายบูชาพระอาจารย์ขอให้อาจารย์ธาตขันแข็งแรงสมบูรณ์นะคะขอให้สุขใจเจริญให้มีงานใช้ไปตลอดชีวิตนะสาธุค่ะนมรับพรเจ้าค่ะอ่าไปที่คุณมาลิกาต่อมาลิกา เวลาที่ว่ากลัและมรดการจะกลับให้อาจารย์วันนี้มาร่วมกลางทำแล้วก็กลับมากลับให้อาจารย์จ้าสาธุย้าปฏิบัติให้เต็มที่เลยนะกลับให้อาจารย์ปฏิบัติอยู่ทุกวันกค่ะอาจารย์รู้สึกตอนไหนก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติกลางทำไมลามีค่าเวลามีค่ามากเอาเวลามาทำเป็นนิพานทําจิตใจให้เป็นนิพาน าาเจ้วก อ, อง อ, อาจารยสาธุค่ะอ่าคุณสลินทรแมริแลนด์วันนี้คํามากราบคุณเจมย์วันนี้โยมตั้งใจมากเลยค่ะอยากจะได้ชื่อว่าสลิทนทรมาเช้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีพอค่ะก็ยังไม่ได้ว่าคนอื่นเขาเข้ามาเร็วกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ พรานั้นหนูไม่ทราบว่าคนอื่นก็ต้องเข้ามาครึ่งชั่วโมงก่อนมา<จ>หาเพืใช่ต้องมาเข้าคิปมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อไอโฟนนุ่นใหม่ยมรู <laughs> ้แล้วเป็นยังไงค่ะก็กลายเป็นมาธรรมดาค่ะวันนี้วันนี้ยมไม่มีคำํำสานก็ปฏิบัติต่อเนื่องค่ะแล้วก็ อ, อคําสอนของพระาจาร้านะคะเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราเข้าใจนี่มันเข้าใจจริงๆอย่างนี้ค่ะยมก็รู้ ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เราพอจะเห็นแนวทางว่าเราต้องเดินทางนี้า<ม>จากนี้มองไปสุดทางนี้ต้องเดินทางไหน<ม>แต่พอทุกวันเริ่มเห็นรายละเอียดว่ารายละเอียดข้างทางเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปถึงทางแต่ละจุดแต่ละจุดก็รู้สึกดีคับอาจารย์มันต้องมันต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นถ้าไม่ปฏิบ<า>ัตินะีฟังไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ ค่ะพระอาจารย์แล้วธรรมะบางอย่างมันก็มาอ๋อเอ้ยจริงด้วยใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยค่ะฝว่งทั้งทั้ที่ได้ยินฟังมาตลอดแต่มันไม่เก็ตอ่ะค่ะจนกระทั่งยุ่เข้าใจขึ้นมาเองอ่ะค่ะก็ยังปฏิบัติพระอาจาบอกทำที่เราฟังซ้ํำแล้วซ้ํำอีกมันจะทําให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ค่ะค่าวันนี้ยังไม่มีคำขอบพรคุณมาก ไปที่คุณ อ, อ้อมบ่อวินชนบุรียังไงออมไม่มาสการค่ะไม่มีคำถามปะพ่ออาจารย์ยังมีความกลัวอยะอะปะจองไว้เดือนตุลาค่ะ เ, เข้า<ว>ป่า อ, อีกรอบไปช่วงวันหยุดวันที่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสามค่ะแต่ว่าอาทิตย์ละสองคืนเหมือนเดิมนะคะยี่สิบสามยี่สิบสามเลย ไม่ค่ะไปสองรอบค่ะไปชดเชยที่ไม่ได้ไปนานโอเคดีค่ ะ, ะวันนี้เจอได้ปัญญามาข้อหนึ่งพอดีวันนี้ลืมอาปกาไปเขียนงานแล้วยืมปากกาของน้องที่ทำงานเขียนแล้วเอ๊มันเขียนดีมากเลยอยากได้อะไรเงี้ยคิดขึ้นมาทีนี้ปุ๊บ มันตดัดภาพมาปุ๊บเลยเฮ้ยเหมือนพระอาจารย์บอกเลยถ้าแบบเราใช้ดีแล้วเราจะอยากได้มันถ้ามันไม่ดีเราจะไม่อยากได้เนี้ยคะ่ะก็เลยเอ๊ะเอเอมันก็เราก็เลยตัดไปเลยค่ะอ่อาอ ย, าอยาอ่าไปอยากได้ของคนอื่นถ้าอยากได้ก็ขอเราก่อนอย่าไปเก็บไว้ทําเป็นดึงอันนี้ไม่ได้จะขโมยนะคะแต่ว่าก็เป็นปัญญาที่เราเอามาคิดได้ะคะ่ะก็ดีดี่ โอเคค่ะช่วงนี้ก็ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอ่าโอเคค่ะพยายามต่อไปนะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชนิดเอนคุณชนิดสาอนอยู่ที่ไหนนะตุกเคียวค่ะทางใจตุ๊กเคีวอ๋อวันนี้เข้ามาเข้ามาเด็กหน่อยนะวันนี้เดึกค่ะเด็กเป็นมือเท้าปาาค่ะก็เลย อนอ น, น, นอย่างนี้ค่ะอืมเป็นยังไงมีอะไรหมเอ่อมีคำถามถามพระอาจารย์นะคะว่าที่ตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องที่จยาย ก, กับสามาีใช่ไหมคะทีนี้ฟังพระอาจารย์ว่าอยากเมื่อสักครู่นี้ภาษาพื้พูดกับที่คนเมื่อสักคู่คคอยากได้ของของใครแต่ถ้าเราทำเพื่อสิทธิของลูกอย่างนี้หละค่ะพระอาจารย์นี่ถือว่า แต่อยากได้ของเขาไหมคะที่เราต้องรักษาสิทธิให้ลูกหมายถึงถ้าเลี้ยงดูคนะ่าการศึกษาต่งางอันนี่ก็เรียกร้องได้ตามกฎหมายเขาอนุญาตเราก็ทําไปตามตามกฎระเบียบได้ไม่ใช่ว่าเราไปเ้าเรื่องอะไรนะคะไม่ด้ต้อ่ต้องทําใจว่าถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปเล่นเล่นแบบผิดศีลผิดธรรมเพื่ออยากให้ได้ก็แล้วกันครมาตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามอะไรไป ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปอืถึงแม้ทางศาลก็อาจจะอาจจะตัดสินให้ก็ได้แต่ถึงเวลาก็อาจจะไม่จ่ายก็ได้ก็อาจจะเบี้ยวก็ได้ก็ต้องทำใจต้องทำใจมันเหมือนขาวกระําจัลลังไซต์กันอยู่เนอะค่ะอาจารย์ว่าบางเดือนเขาอาจจะให้บางเดือนเขาก็ไม่ให้เขาอาจจะอ้างว่าเขาไม่มีเงินเดือนนี้อะไรเขาว่าไปก็อย่าไปหวังอะไรแล้วกันได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีให้คิดอย่างนี้ ออจะได้ไม่ถึงก่อนค่ะพระอาจารย์ขาวกระดามมันสู้กันมากเลยค่ะที่พระอาจารย์เคยบอกว่าพุทโทท้องให้ให้ปีสติค่ะก็ได้ทำอพระอาจารย์ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะถ้าเป็นก่อนหน้าที่จะรู้จักธรรมะคงคงไม่ใ no ช่แนวนี้แน่ๆเลย่ดีที่มีธรรมะคอยยึดใจไว้ค่ะอออย่าไปเอาแบบ เอาเอาชนะเขาเอาแพ้ชนะันเอาชนะกันอืเอ า, าเอาตามเหตุตามผลไปถ้าเหตุผลว่าเราควรจะได้เราก็ได้ถ้าเหตุผลมไม่ได้ก็ไม่ได้กันแล้วไปแล้วแต่ชเราต้องถ้าไม่ได้เราต้องรู้จักพึ่งตัวเองเราให้ได้นะ ถ, ถ้าเกิดไม่มีเขาเราจะทําไงถ้าเกิดเขาตายไปเราจะทาไงเราก็ต้องเราก็ต้องรับผิดชอบ สิ่งที่เรามีอยู่ต่อไปด้วยลำแข่งลําขาวของเราค่ะทุกวันนี้ที่ที่อยู่มาก็ไม่เคยได้รับจากเขาเลยนะคะที่นี้นนะ ค, ะคือสิ่งที่ที่บอกว่าเขากระดามันไส้กันก็คือเรามีาราคาเรามีทุกอย่างถ้าสมมติว่าเราเปิดออกมาหรือว่าจะเอาให้เขาแบบออ่สุดทางอย่างเนี้ยค่ะก็คื อ, อสามารถทําได้ตัดใจหนึ่งก็คิดว่า จะทําอย่างนั้นไปมันจะเป็นการผูกเวรผูกกรรมไปไหมถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทําจะไม่ได้เป็นสิ่งที่โกหกหรือผิดเป็นสิ่งเป็นความจริงทุกอย่างก็เลยคิดคิดอยู่ว่าเอจะอุเวกขาหรือว่าต้องสู้ให้ลูกให้สุดท้ายก่อนดีค่ะก็อีกแบบที่ว่าจะแพเป็นพระชนะเป็นมารยอย่างไรดีค่ะอาจารย์ชนะเราเราเป็นมารมันก็ไม่ดีใช่ไหมเขาก็จะจองเวรจองกรรมเรา ชู้แพ้นิคะเราเป็นพระเรื่องก็จะจบไะเขาก็ม่มายุ่งกับเราอะไต่อไปแยกทางกันทางใครทางมันค่ะคิดถึงคิด ถ, ถึงช่วงที่เรารักกันมากมาได้จะได้จะได้รู้จัก ร, รักษาน้ําใจกันมากาเขาเราก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยรักกันมาเคยชอบกันมาเคยดีกันมาค่ะตอนนี้แล้วคนจะรักษามิตรภาพมันก็น่าจะดีกว่าถึงมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อยา่าอย่ากลายเป็นศัตรูกันเลย ค่ะครูอาจารย์จะพยายามทําใจให้ได้อย่างนั้นนะแล้วว่ามันสุดทางมากจริงๆคือว่าพุทโธแพ้เป็นพาชนะมันมาเท่าไรไม่ไหวนะยอมแพ้ดีกว่ายอมอยู่เย็นเนาะยอมอยู่เย็นใช่ค่ะคทำนี้ของพระอาจารย์ลอยมาเสมอเลยค่ะยอมแพ้ยอมอยู่อยู่ต่อสู้แล้วใจเราก็จะเย็น แล้วก็ยินดีตามมีตามเกิด แ, แต่สารจะเมตตาพิจารณาไปค่ะคือบางครั้งได้ฟังคำที่เขาพูดออกมาก็แบบอืมมันอยากจะสวนกลับเลเกินแต่เตย็นเยนก็ได้ยอมอแต่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องเหนือกว่าเขาทางทางเราจะไปไปเหมือนเขาก็ถ้าเป็นเหมือนอเขาแล้วก็เราก็ไม่ดีกว่าเขาเราก็เลยเอก่าเขา ค่ะอาจารย์ค่ะตอนแรกว่าจะคือเดตตอนแรกว่าจะหลังจากที่แยกกันแล้วจะกลับไปไทยทีนี้งานที่ไทยเขามีออฟเซอร์มาเป็นงานคอนเทนต์สเกลใหญ่เราถ้าไปก็จำคำพูาซาลิกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างทำงานหรือว่ามาทางธรรมเราก็เลยคิดว่างั้นอยู่ญี่ปุ่นต่อแล้วกัน เพราะว่าอยู่นี่ก็เหมือนกับสโลลีฟเราก็ได้อยู่กับลูกแล้วไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากมายงานก็คือคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไปออกสังคมอะไรก็คิดว่าเออเ่าจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมก็ดีคิดในทะางนั้นก็ดีถ้าเรานะพออยู่พอกินได้แล้วมีเวลาปฏิบัติธรรมก็ดีกว่าที่จะไปทางานแล้วไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมค่ะเลยเลือกที่จะถบบว่าอยู่อย่าง อย่างอย่างเขาอย่างพอเพียงใช่ไหมคะแตเสียใจนิดนึงที่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้กลับไทยก็ไม่ได้ไปทำไปไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปทำอะไรอะ่อยมากนี่ก็มาทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ยนี่ก็มาทุกอาทิตยวัดก็อยู่ตรงนี่ก็มาใจค่ะได้กราบพระอาจารย์ทุกทุกอาทิตย์อยจะทํเร็อย่างที่โอนเงินเข้าบัญชีวัดไหนก็ได้โอนไปเลยไม่จำเป็นจะต้องไปที่วัดเลย ถ้าอย่างนี้ค่าพระอาจารย์โอ้ดีจังเลย okay, ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ก้ขาขอบพระคุณค่ะสู้ด้วยธรรมะนะสู้ด้วยธรรมะอย่าไปสู้ด้วยอาธค่ะพระอาจารย์จะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะกราบค่โอเคค่ ะ, ะ, ะคนที่ตีมาออยู่เขาอยู่มือนเขาเหรอใช่ค่ะกล่าวอัศการค่ะพระอาจารย์ เป็นยังไงสงบไหมสงบมากค่ะเงียบมากหนูชอบมากเลยค่ะสงบข้างนอกแต่ข้างในสงบไหมล่ะสงบค่ะสงบทั้งคู่นะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะใช่ค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมถือสินใกล้สองเดือนแล้วค่ะพระอาจารย์ออถือไม่ได้เรื่องนะของดีจะทิ้งมทําไมเวลาทำได้ทองคํามาจะทิ้งทองคํารือเปลบ แกเ็บไอยากเก็บไว้แค่ <c oughs> แสามเดือนแล้วก็ทิ้งแล้วไม่เอาแลเก็บไว้ตลอดไปค่ะอาจารย์รัตนะไปเนี่ยทำบ้างสารนังกระถานคเมฆเป็นรัตนะนะ <c oughs> เป็นทองคําเป็นอนยาเมรีนาค่ารักษาได้รักษาไป <c oughs> น, นอกจากว่ามันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องเว้นบ้างแล้วอ่านนี้ก็แล้วไปแต่อย่าด้วยความอยากค่ะอืม นี่ค่ะอาจารย์โอเคนะทําไปเรื่อยๆนะค่ะอาจารย์ตอเดินเดินก้าวไปข้างหน้าอย่าเดินถอยหลังค่ะถ้าเดินถอยหลังเข้าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางกลับมาที่เดิมกลับมาที่ที่เก่าตอเดินอาจารย์กำลังพยายามอย่างหนักค่ะอาจารย์โอเคสู้ไม่ถอยนะคค่่ะะถ้าหน่วยก็พ้าได้ถ้ากวนก็พักได้ไม่ถอย อย่าเลิมค่ะสาธุครับอาจารย์ค่ะโอเคคณจีบอ่าอ ค, คนจีบก็เข้าม า, า้เร็วเหมือนกันอีกคนจิบแกรนุสการค่ับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะก็เมื่อกี้ฟังพระน้องคนก่อนนะ้าสู้ไม่ถอยโยมก็ถอยหนึ่งเก้าเดินหนึ่งเก้าเหมือนจะอยู่ที่นึ่ง <laughs> <laughs> คิดว่าคิดว่าของเราจบไปแล้วไม่ใช่เหรอขึ <Yes ้นศาลเลี่ยมลายไปแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังต้องมีเสนอเอกสารแต่ว่าก็หวังว่าต้องไม่มีไม่มีเรื่องจะขึ้นแล้วนะคะพระอาจารย์ยุมเหนื่อยมาันลาครับแบบเหนื่อยมันทั้งแห้งแห้งทั้งจิตแห้งทั้งกระเป๋าแห้งแต่อย่างเดียว่ไม่แห้งเละ อย่าไปหวังอะไจากเขาแล้วกันอย่าไปหวังอะรจากเขาอะไรเขาจะให้จะให้ไม่ให้ก็รับไปไม่ต้องไปฟ้องร้องใช่ค่ะหวังความสงบอย่างเดียวไม่รู้จะได้หรือเปล่านะตัวค้าพระถ้าราอยอมก็สงบถ้าไม่ยอมมันก็ไม่สงบค่ะก็ใช้หลักพระเจ้านะคะยอมยอมแล้วยอมก็หยุดแล้วแล้วยอมก็เย็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเอาน้ำมาสาดน อีกแล้วเปล่าก็ยอมใหม่ถ้าเรายอมเป็นแล้วเราก็ยอมไปได้เรื่อยไม่้องกลัวก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะค่ะวอาจารย์ยอมก็คงปกติยมก็เป็นคนยอมอยู่แล้วอะค่ะยอมว่านิสัยคนไทยเราก็อารมณ์มัน่วยตามโดยนิสัยนะคะก็เลยคิดว่าอย่างน้อยก็โอเคเราก็มีจิตใจที่ที่ที่สงบขึ้นมาระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณค่านอาจารย์มากนะคะ ที่แบบช่วยคอยตักเตือนช่วยคอยแบบเมตตาอบรมสั่งสอนนะ้วเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็จเจริญสติให้มากขึ้นคะ่ะเวลาเดินก็จะแบบมีสติมากขึ้นนิดหน่อยคะ่ะช่วงนี้ก็ โ, โทรศัพท์ไม่ลืมแล้วคะ่ะว่าวางไว้ที่ไหนก็ดีขึ้นมาค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์หอพยพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะอ่าจ้าอจิตใจผ่องใส<า>นะบกบานสาธุเจ้าค่ะสาธุขัดยมไปรวบรวมคา ค, คำคำโอวยพอของพระอาจารย์ไว้เขียนไว้หน้าจออ่ะโอเ ค, ค <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะกับน ม, ามาสการต่ออะไที่คุนตายต่อคุนตายพัทยาน้องกับนมสัสการาพระอาจารย์ วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างล่ะก็เหมือนน้องเขาอะค่ะหนึ Ph ่งเก้าถอยหนึ่งเก้างานวันเยอะค่ะอาจารย์ก็พยายามรวบรวมสติให้เอาไปอยู่กับงานเยอะๆอะค่ะไม่ให้ไปไหลออกข้างนอกไรสดก็ไม่ดูดูน้อยลงไม่ใช่ไม่ดูค่ะอาจารย์ดูน้อยลงตัดก็ก็ ก็พยายามเอาสาติไปอยู่กับงานนะคะเพราะงานก็ทิ้งไม่ได้งานมันเยอะอือยู่กับพุโทโธด้วยกันดีนะอืก็มีค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าช่วงไหนที่หยุดอย่างเงี้ยเราก็หยุดนี่หมายถึงว่าอาบนะ้ำแปรงฟันเข้ า, นาน้น้ําอะไรช่วงไม่ทํางานก็ใช้อยู่กับพุโทโธไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไปอยู่วัดครับะอาจารย์อยู่วัดอยู่ข้างล่างอะค่ะ ตรงนี้นนะจะเข้าไปอยู่ข้างล่าก็จะไปลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างว่าข้างล่างข้างบนแล้วก็จุดไหนอีกที่เราแบบจะอยู่จะอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอยงี้ค่ะภาษาตรงไหนมันจะแย่กว่ากันหรือว่าข้างบนหรืออะไรอย่างนีัปฏิบัติก็ต้องต้องทดทดลองไปเรื่อยทดสอบไปเรื่อยนะะแต่เออโยมโยมบอกว่าทําไมไม่ไปขึ้นข้างบนโยมก็บอกว่าก็ลอง ลองดูว่าข้างล่างเป็นอย่างไรแล้วเราจะสู้กับกิเลสข้างล่างได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปเจออะไรแล้วเราจะสู้หรือว่าเราจะมีใจเป็นแบบไหนอะไรยมก็บอกเข้าไปอย่านี้ค่ ะ, ะแต่ก็<า>ไปแค่ออกวันนั้นที่นะคะค่าจาย์อ่ดอดาดีดีก็ดีก็อยู่บ้านก็แล้วกันเค่ะป <laughs> ระชันอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะโ อ, อเคไปสู้นะสู้ไม่ถอยนะ จะค่ะพยายามเลยอาจารย์โอเคไอ้จจ okay. ไที่คุณนายแพทยสองคุณนายแพทไม่ทราบชื่ออะไรเพิงเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมนะไม่ค่ะห <Yeah. S 1> ลวงเอออาจารย์จำไปได้จะเป็นพี่สาวปูไงคะพี่สาวใครนะปูค่ะปูไหนปูที่เข้ามาที่วัดเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้มาแล้วมั้งคะที่พี่ oh. สาวที่เคยที่อยู่ที่แมแลนด์นนะคะ คือหลงพราอาจารย์จําไม่ได้จำไม่ได้ไไดขออภัยด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเคยเคยเอ่อเฟซไทม์มกับอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์บินพระบาทนะคะอ่าค่ะแต่คงคงนานแล้วคงจําไม่ได้ค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าจะตอนนี้รีชายแล้วแต่ว่าจะแพลนที่จะกลับไปเมืองไทยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเอ่อจะไปเดือนไหนดี กะว่าจะไปพิจิกาแต่ว่าน้องสาววัวหน้าฝนแต่ก็เลยก็เลยไม่ทราบ ว, ว่าจะไปเดือนไหนดีค่ะเพราะว่าแต่กะว่าจะไปอยู่สักสองเดือนแล้วจะกลับมาอยู่ที่นี่เพราะหนีหนาวที่นี่ด้ค่ะที่พิจิกาแล้วเริ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในที่เมืองไทยพิจิกาทางวามกลาเขาไม่ว่าดูแลค่ะพอเขาทํางานอืเพราะอาจารย์น่าจะจำเขาได้ปูที่เ อ, อืม ชื่อเต็มชื่ออะไรจงกลจงกลเสนธนามค่ะอืมเราขออภัยด้วยตอนตนี้แก่แล้วความจำไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอบอกบอกเขาแล้วว่าเอ่้อจะเข้ามาในซูมะอาจารย์ดูค่ะพอเสร็จแล้วออที่อยู่ที่แมลันไงคะใาเนี่ยมีคนอยู่แมลันน้องหลายคนเนี่วันนี้เข้ามาหลายคนคตอนนี้สองคนคสอคนอคนี่คนพุ่ มเคุณชีก็มาจากหมลงอะไรนอริทาก็มาจากแงะไรเซเวอร์สปริงคนยังเจด้สบายค่ะเซเวอร์สปริงด้ค่ะเซเวอร์สปริงเหมือนกันนะค่ะก็ก็ไม่เคยเห็นพวกเขาแต่ว่าตอนนี้หลังจากนอริ้วก็พยายามจะเข้าซูบ่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้ก็งถ้าไม่เขาวันนีจะไม่ได้ขอไปเลยค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่มีมัญไม่มีไม่มี คำถามอะไรคะ่ะเพียงว่าจะเข้ามากราบแล้วว่าจะเข้าแล้วยังไงจะกลับไปเมืองไทยแล้วไปนมัสการพระอาจารย์ที่วัดคะ่ะได้เชิญจ้ะสาธุจยแล้วคงเท่านี้ละค่ะท่านโอเคสาธุจารย์ถูกคะ่ะอ่าคุญจอยต่อคุญจอยวัยค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้ะค่ะหนูก็เอ่อ ทำเหมือนเดิมหัวนั่งสมาธิเดินจงกลมทุกวันค่ะใส่บาตทุกวันพ่ะใช่ค่ะใส่บาตรทุกวัน่ะแล้วก็ตัวรบกับลูกบ้างแต่ก็กับกาแฟก็เบาลงลแล้วค่ะหนูก็เงียบๆยอมๆเหมือนที่พระอาจารย์สอ น, ออมมนไม่ค่อยมีปัญหากันค่ ะ, ะได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ แพ้ชนะกันแล้วมันก็จะวุ่นวายมันไม่รู้แต่จบจากซึ่งคิดแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งดีกว่าเออพอเรายอมคนเองเขาก็ยอมเราเองเขาก็อยู่เองใช่ค่พอยอมกันแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหากันไปเองต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองโอเคดีค่ะสาธุค่ะอันดับนี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิศิษฐ์สกลนคร การนมัสการพระอาจารย์ครับว่ามา้มีอะไรไหมวันนี้มีคําถามนิดนึงคับพระอาจารย์อืแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าไปอยู่ใน่าในเขาในถ้ำเนี่ยท่านท่านฉันข้าวยังไงพระอาจารย์บางทีเข้าไปมันลึกมากออ่ะท่านเข้าไปบินบารถ้าไม่ถ้าไม่มีที่บินบารถ้ามักก็จะอาจจะมีพ้าขาวไปหุงข้าวให้ท่านแล้วบางทีท่านก็อดอาหารก็มีบางรุ้งท่านก็ไม่กินอาหารสามวันห้าวัน อืมค่อออกมาบินธบาติทีหนึ่งอย่างนี้แหละครับอาจารย์ใช่ใช่โอ้โหหลวงตามาบอกท่านก็เล่าบางที่ท่านไปภาวานาท่านไม่ไปกินข้าวไม่ไปบินธบาตชาวบ้านต้อมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่านี่มันไม่เป็นอะไรท่านจะออาหารอืมัญหาแล้วภาวานานมันดีมันไม่ขี้เกียจมันไม่ง่วง อ, อืมแต่ต้องไปที่บินธบาติแล้ว ถ้าเป็นท่าเน้นต้องมีที่บินธรรมดนานอกจากว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆ ก, ก็อา จ, จะมีผ้าขาวไปแล้วก็ช่วยหุงข้าวให้กินอะไรนะถ้ามันช่นนนก็ต้องบินธรรมดาเป็นหลักะ้าผ้าด้วนนั้นจะต้องถึงถือข้อบินธรรมดาเป็นวัดครับเพราะว่าลองขึ้นไปตรงที่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่บางที่เนี่ยเราขับรถขึ้นไปเรายังเรายังคิดว่าเราจะกลับแต่มันกลับไม่ได้เพราะมันเป็นทางขึ้นไปแล้วมันไม่ไม่มีที่กลับรถในบัราต้องอไปให้ถึงวัด หรือจะไปกลับที่วัดได้มันคือมันมันไกลมากอแล้วเอ่าสมัยก่อนที่ท่านขึ้นไปเนี่ยมาคิดดูโอ้โหแล้วไปอยู่กันยังไงมันไม่เป็นทางอย่างเหมือนทุกวนนันนี้ครับพรอาจารย์ท่านทรหดังแห่งนี้เดนินลเดินลงมาจากเขาไม่เป็นทบาทห้าโลภูสังโคเนี่ยที่นอนครับอท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือื่องเป็นการปฏิบัติไปในตัวเดินจงกรมไปในตัวอามินทบาท ครับวันนี้ลบกวนพระอาจารย์แค่นี้ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับออนนี้คุณหงิงต่อคุณเหงิงกทมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้มีคําถามคําถามเดียวเจ้าค่ะคือ อ, อสงสัยประเด็นที่ว่าเมื่อกี้มีมียติธรรมถามเหมือนกันคือตอนนี้ค่ะเโยมก็พยายามนั่งสมาธิด้วยท่ามาตรฐานนะคะก็คือ นั่งขัดสมาดขาขวาทับขาซ้ายอะค่ะตามปกติแต่ว่าปีเนี้ยหนูอายุห้าสิบแล้วหนูว่าเข่าหนูมันเริ่มกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วมันก็มีคุยกับญาติๆอะคะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่าหนูนั่งสมาธิเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ควรนั่งสมาธิเพราะว่านั่งสมาธิจริงๆอะมันผิดเขาเรียกว่ากายภาพของมนุษย์อะไม่ควรนั่งแบบนั้นมันจะทําให้เข่าอ่ะเข่าอ่ะเสื่อมแต่ใจหนูอะมันคิดว่าสําหรับตัวหนูเองนะ ห น, หนูโทษค่ะไม่ได้ได้พูดข า, ขาอะไระส่วนสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูคิดว่าถ้าเกิดเรามากลัวว่าเขา่าแค่เข่าเสื่อมยังมากลัวแล้วสําหรับพระปฏิบัติที่เขานั่งเขาต้องไม่กลัวแล้วอ่ะคือมันต้องข้ามความกลัวตรงนี้จนกระทั่งผ่านเวทนายอย่างเงี้ยถ้าเราแค่จะมานั่งสมาธิเราก็ท้อแล้วอ่ะว่าโอ๊ยอย่านั่งเลยเข่ามันจะเสื่อมนะเราต้องรักษาตัวเรา ด้วยการต้องมาหาเก้าอี้นั่งนู่นนี่นั่นแล้วอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้เราแบบยิ่งยึดติดในร่างกายหรือเปล่าหนูหนูห น, หนูคิดในใจอะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วหนูก็ว่าหนูจะนั่งแบบเนี้ยแหละเขาก็บอกว่าโอ๊ยที่ไหนแบบเขาจะทําแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่านั่งแบบเนี้ยมันมันไม่ดีแต่หนูก็เยบอกว่าใจหนูคิดว่าพระที่ปฏิบัติจริงๆอะทําไมเขานั่งจนแบบเขาอายุมากเห็นอายุ90สิบ เขาก็ยังนั่งได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยจะถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เจ็บเข่าไหมคะหรือว่าทนไปคะเ อ, อเวลามันนั่งมันก็ต้องเจ็บ่ะแต่มันก็เราก็ไม่ไปสนใจของมันเขาปอยมันเจ็บไปแค่นี้ในการฝึกฝึกจิตใจใปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บนไม่ต้องไปกลัวความเจ็บความเจ็บเป็นข้อสอบที่เราจะต้องต้องสอบให้ผ่านให้ได้อื แต่เรื่องเรื่องความเสื่อมมาเนี่มันจะปฏิบัติไห้ปฏิบัติมันก็เสื่อมด้วยกันทั้งร่างกายของคนทุกคนคน <c oughs> ที่ไม่ได้ปฏิบัติเข่าเสื่อมเยมอะแยะไปหมดเห็นญาญยมบวชกันเป็นข่าวเสื่อมมันเยอะแยะส่วนใหญ่พระปฏิบัติท่านไม่ค่อยเสื่อมมาเรื่องเข่าเคลื่อนท่านก็ น, นั่งสมาธิของท่านไปออายุขนาดไหนท่า น, นยังนั่งขัดสมาธได้จรเจ้าค่ะ งั้นเราจะนั่งขัสมะหรือไม่ขัสมะยังไงมันก็เสื่อมของมันอยู่ดีใช่เจ้าค่ะแต่เราต้องรู้จักประมาณท่านนั่งแล้วมันรู้สึกเอ่ามันมันเกินไปมันก็ลุกเปลี่ยนมาเดินโยนกลมบ้างสลับอิเลียบทไม่ให้มันไม่มันพิการเนี้ยเดียค่ะพอมันเริ่มเจ็บมากๆแล้วก็อาจจะถ้าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราจะต้องการทดสอบปล่อยวางความเจ็บพอมันเจ็บแล้วก็เปลี่ยนอิเลีบทได้ เปลีย่ยนากนั่งมาเดินได้แต่ถ้าเราในช่วงที่เราอยากจะทดสอบหรือว่าเราปล่อยวางความเจ็บได้ไหมปล่อยวางร่างกายได้ไหมเราก็ต้องไม่ขยับแล้วก็ต้องนั่งต่อไปแต่พอเราปล่อยวางได้แล้วเรารู้ว่าต่อไปเวลาร่างกายเจ็บเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็ไม่ต้องมาทําเราก็ไม่ต้องมานั่งให้มันเจ็บอีกพอมันเจ็บแล้วก็เปลี่ยนเบียบฝนได้เจ้าค่ะ เฮ้ hey, อันนี้หมายความว่าเราสามารถนั่งเก้าอี้แต่จริงๆมันเรายังทนได้คะ่ะไม่ถึงขนาดจะเสื่อมขนาดนั้นอ่าไม่น่ากลัวหรากค้อยมันเสือ่อมก่อนร้อยมันเสือ่อมก่อนแล้วค่ว่าไปอ๋อเจ้าค่ะหนูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะอืมโอเคขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะยาสาธุคุณจาตจาออพอลนอริคันนมันสการค่ะพระอาจารย์อืม ได้ยินนะคะอาจมีอะไรไหมวันนี้หนูชวนคุณแม่กับพี่สาวมาด้วยค่ะอยู่ด้วยกันในซูมอ่าอยู่ที่ไนอยู่อยู่ใจอเดียวกันหรือคนละจออ่าหนูไม่น่าใจค่ะคุณแม่ชื่อแธมที่ชื่อขึ้นว่าทามีชื่อมีไรทามแม่ทามแม่อรค่ะแล้วก็พี่สาวชื่อจอมจิตสันทัสมีจอมจิตสามคนอยากจะเปิดไมค์คุยกันก็ได้นะได้ไหวิจะให้คุยทีละคน ไม่เป็นไรคะ่ะเผื่อเผื่อสองคนมีคำถามส่วนตัว <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวออกเดือกระถุ่คิวกันละค่ะหนูมีคำถามเรื่องอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูรายงานพระอาจารย์ไปว่าหนูเริ่มาิีลข้อหกเพิ่มคือไม่ทานหลังเที่ยงแล้วก็ทำมาสิบวันแล้วหลุดไปสองค่ะก็ในแปดวันก็ยังพอทำได้อยู่ทีนี้คำถามของหนูก็คือถึงแม้ว่าหนูจะไม่ทานหลังเที่ยงเนี่ยแต่ว่า มันก็จะมีประมาณแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่หนูอยากที่จะทานขนมที่มันไม่ได้มีสารอาหารดใดๆทั้งสิ้นแต่มันอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าเราผิดจุดประสงค์ของการไม่ทานหลังเที่ยงอยู่ดีหรือเปล่าค่ะคือหนูก็ยังทําตามความอยากอ ย, กอยู่ดีาการรับประทานอาหารคนเรารับประทานเหมือนรับประทานยาเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อดับความหิวได้อยู่แต่ไปอยากไปอยากกินอาหารที่เราชอบเราอยาก มันจะติดแล้วมันจะทําให้เกิดอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้กินมันจะทําให้เราทุกข์ให้พยายามเฟื่อยความอยากแล้วก็ให้กินมันเป็นเวลาถึงเวลาค่อยกินกินทีเดียวกินสองมื้อก็แล้วแต่จะกินสองมื้อก็ให้มันเป็นมื้อเป็นเวลาไปอย่าไปกินแบบว่ากินเดี๋ยววเดี๋ยวอยากก็กินเดี๋ยวอยากก็กิน อย่างนี้มันก็มันก็ฝืนทางกับการปฏิบัติของเราการปฏิบัติของเราเพื่อห้ามความอยากก็หยุดความอยากแต่เนื่องจเนื่องจากร่างกายต้องมีอาหารกินแล้วก็เลยต้องอ น, นุญาตให้มันกินแต่อย่าปล่อยให้มันกินตามความอยากขอใจเท่านั้นเองเข้าใแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้คำถามที่สองเป็นเรื่องของเรื่องความอยากเหมือนกันค่ะแต่อหนูอ่ไป เจอวิดีโอที่พูดถึงความแตกต่างกันระหว่างความอยากในแง่ของสันทะกับความอยากในแง่ของตัณหาแล้วก็ในเรื่องของการดู youtube อะไรเงี้ยคะ่ะคือปกติหนูจะดูพวกคลิปธรรมะแต่ส่วนมากจะดูเพราะว่าสงสัยแล้วก็จะเปิดดูอข้อธรรมอะไรประมาณนี้ยคะ่ะแต่ว่าในหลายๆครั้งอ่ะคือหนูเปิดเพราะมันเหงาหูเฉยๆคืออันนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเปิดธรรมแต่มัน เจตนาของเราคือเปิดเพื่อให้มันไม่เหงาอันนี้ก็ผิดอยู่ดีถูกไหมคะก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ละความรู้สึกนั้น อ, อ<ร>ไม่ไมหรอกถ้ามันถ้ามันเป็นธรรมะก็ถือว่าเปัญญาเป็นประโยชน์ไม่เป็นไรบางทีดูธรรมะแล้วมันก็ช่วยละระงับความเหงาได้ก็ ก, ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเปนธรรมะมันไม่จะเป็นมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเหมือนกับละครหรืออะไรทํรานองนี้ดูได้ ได้แล้วค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายอ่าช่วงนี้หนู อ, อ่านเรื่องมงคลสามสิบแปดค่ะแล้วก็มีหนึ่งในมงคลที่พูดถึงเรื่องวินัยที่ศึกษาดีแล้วประมาณเนี้ยค่ะไอ้คำว่าวินัยตรงนี้หมายถึงก่อนระเบียบาา ต, ต่างๆก่ระเบียบต่างๆศีนศีนแปดนี่ก็เป็นก็เป็นวินัยอย่างนั้น อะ <Okay. S 2> ที่เป็นกฎเป็นระเบียบศี น, 5, น, 8, น 2, ้าศีนแปดศีนสอง้อยย่ิบเจ็ดหรือกฎกติกาของสังคมกฎหมาย <Okay. S 2> ขับรนแล้วไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เป็นเป็นวินัยที่เราต้องศึกษากัน <Okay. S 2> เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ทาสร้างความเสียหายให้กับตัวเราและผู้ okay. อือมโอเคเขใจละค่ะกฏระเบียบวินัยก็คือกฎระเบียบต่างๆโอเคค่ะอ uh. okay. ถ้าเรารู้กฎระเบียบมันก็เราก็ไม่ไปทาผิดกฎระเบียบล้วก็ไม่ถูกจับไม่ถูกปรับใช่ไหมถ้าเราไม่รู้กฎระเบียบเราเราไปทำผิดล้วก็ถูกจับถูกปรับได้ค่ะแล้วค่ะคแต่ค ร, รูคระบทายขอบพระคุณมากค่ะสาหรับพระอาจารย์สละเวลามาสั่งสอนพวกเราตลอดเลยโอเคสาธุจะไปที่เท็กซัสตอนนี้กลังอยู่เทพหรือเปล่าคุณสปตานีอยู่มอเทพหรอเ่า กลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจา้าค่ะลูกยังอยู่ที่กรุงเคพเจ้าค่ะยังไม่ได้กลับเท็กซัสยังดูแลคุณแม่อยู่เจ้าค่ะนี่ไงมาอยู่ที่นี่กับอยู่ที่นั่นต่างกันไหมต่างมาก <laughs> อยู่ที่เท็กซัสเราได้มีโอกาสแบบปฏิบัติแบตบตามแบบพังของเราไม่ใครไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเราอยู่ที่นี่ญ <c oughs> าติพี่น้องเยอะยะไปหมดคนนู้นคนนี้ก็อยากจะมา หย่อ น, อนมากใช่เจ้าค่ะลูกหย่อนหย่อนมากเลยลูกไม่ได้มีเวลานั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะแบบมันเหนื่อยอแล้วก็เมื่อเชา้าเพิ่งมีโอกาสได้ฟังเศทนงงศนะเจ้าค่ะสองอาทิตย์กว่าลูกลูกไม่ได้นั่งแทบจะไม่ได้นั่งสมาธิเลยเจ้าค่ะ ก, ก็ถือว่าเ อ, เอานําน้องนําคําสอนของพระอาจารย์เพื่อนฝึกฝึกกับ อะไรเฝึกกับชีวิตจริงโดยที่แบบเราก็ไม่มีโอกาสสถานที่ก็มีส่วนที่เป็นสัพายะและไม่สัพพายะอืมได้เจ้าค่ะนเราไปเจอสถานที่นี่ไม่สัพพายะต่อการปฏิบัติเจ้าค่ะลูกคิดว่าลูกคงจะถ้ากลับมานั่งคงจะต้องเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ กำ <c oughs> ลังกลังสมาธิเสื่อมนะก็พอกลับไปมันจะไม่ได้นั่งมันจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมเราจะเครียดขึ้นมาห้องใจเย็นๆ ต, ต้องกลับมาเจริญสติใหม่พุโทโธพุโทโธใหม่รู้รู้สึกว่าวันเนี้ยรู้พุ่งพึ่งเหมือนกับว่าแบบสติพึ่งกลับมาเร้วคราวหมายถึงแบบคือพึ่งเริ่มเริ่มได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเร า, เราหลุดพุดโทโธแบบคือเราเหมือนกับพุโทโธหาย ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะวันเนี้ยลูกเพิ่งเหมือนกันบแบบเพิ่งได้สติกลับมาว่าเอ้ยเราต้องอยู่กับพุทโธรแล้วลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันสองอาทิตย์กว่าลูกลูกแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลุดแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแต่ว่าแต่ว่าพุทธโทหายอ่ะเจ้าค่ะอืมแต่ถ้าไม่พุทโธรมันไม่สงบครับอย่างไปอยากมันสงบยิ่งอยากยิ่งเพี้ยนอย่าใช่เจ้าค่ะลูกลูกเลยใช้ใช้แบบเหมือนกันบแบบ ที่พระอาจารย์สอนคือเอาแค่มาใช้แบบประคองประคองรักษาใจไปอ่ะเจ้าคะ่ะแค่นั้นแต่เวลานั่งสมาธิไม่มีคือลูกเหนื่อยมากเหนื่อยมากเจังป่ะต่างมาจากที่เท็กซัสเจ้าคะ่ะต่องอาง ม, มากอย่าไปยอย่าไปหวังผลเหมือนตอนที่เราอยู่ที่เท็กซสัสก็แล้วกันเพราะสิ่ ง, งแวดล้อมันไม่ไม่เหมือนกันอมากเจ้าคะ่ะตอนนี้ลูกควรจะ ลูกคนจะทำยังไงเจ้าคะ่ะคือคือใช้ชีวิตยังไงกับกับชีวิตประจำวันนะเจ้าคะ่ะถาา้าพยายามพยายามหลีกการคุกคีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปคุกคีกับคนนั้นคนนี้เจ้าคะ่ะลูกเออต้องอยู่กับเอออยู่กับคุณแม่ส่วนใหญ่ทั้งวันคือดูแลท่านนะเจ้าคะ่ะ<ม>เพราะว่าเร<ม>ดูแลท่านแล้วท่านก็ แต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือท่านท่านจะชอบเปิดเอ่อหนังพระพุทธเจ้าเจ้าคะ mm ่ะ hmm. ดูทั้งวันล mm ูก hmm. ก็เลยดูแล้วก็วันนี้ลูกก็อ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ไปด้วยดูไปด้วย mm hmm. คือพยายามพึ่งกลับมาว่าเราจะต้องไม่ห่างลเลยต้องไม่ห่างตอนนั้นลูกก็ดูแลท่านที่โรงพยาบาลนะเจ้าคะ mm ่ะ hmm. ตอนนี้ก็กลับมาบ้านก็อาศัย mm hmm. แต่ว่าสมาธิลูกไม่มีเวลาเจ้าค่ะก็ก็ต้องยอมรับสภาพไปก่อนมั้ตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่เรา เหมือนกับไม่ได้ขึ้นทางด่วนแะตอนนี้เราลงมาใต้ทางด่วนมันก็ไปติดกับรถต่างๆเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถจราจรไฟเขียวไฟแดงก็ต้องทําใจอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนกั บ, บอยู่บนทางด่วนะตอนที่เราอยู่เท็กซัสนี่เหมือนเราอยู่คนเดียวมันขึ้นทางด่วนน ะ, ะไม่มีอะไรมาคอยขัดขวางการปฏิบัติของเราแล้วค่ะเล้วค่ะก็ต้องอใจ้ควา ใช้ใจเย็นๆ อ, อ, อยู่ก็าตามสภาพไปปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเยค่ะซึมากคนก็มากคนรู้สึกแบบว่าแบบรู้สึกแบบอืการอยู่คนเดียวนี่มีความสุขที่สุดละแต่ ก, แตก็แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ในเมื่อเราต้องอยู่แบบนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้ก่อนก็พยายามรักษาใจอะเจ้าค่ะเดี๋ยวไปทุกกันก่อ น, นนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะพยายามหาเวลาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเจ้าค่ะเจ้ า, า <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไปดิคุณทามี่คุณทามมี่พูดไทยได้ไหรือเปล่าพูดได้ใช่ไหมเปลอดไมโคกโฟนอันนี้ไมโครโอเคโลเทคครับลเทคพูดได้ครับ กาลูกลูกชวนมาให้ฟังพระจารย์ก็ฟังมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยเข้าซูมอ่าก็ค่ะลูกสองคนเขาก็เขาก็ไปทั้งค่ะปฏิบัติกันอค่ะแต่นี้ก็เริ่มเริ่มตามลูกแม่ไม่ลูกทําแม่ <laughs> อ่าค่ะก็ลูกเวลาลูกเขาไปทำบุญก็บอกว่าโอ้ทำเผื่อแม่ด้วยนะลูกเขาก็บอกว่า คุณแม่บุญน่ะทำเผื่อกันไม่ได้และยังจริงมว้ยครับอาจารย์ก็ฝากบอกแม่ต้องไปทำเองหรือฝากฝากงินไปให้เขาทำให้ก็ได้โอเคค่ะแต่ฝากฝากด้วยปากเฉยๆไม่ได้บุญต้องต้องเสียสละอเคค่ะได้ค่ะก็ฝากฝากเวลาเขาไปเขาไปวัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่อยู่ใกล้วัดนะไม่ได้ไปวัดได้ไปวัดยูทูบค่ะไม่ได้ ถ้าทำบุญไม่ได้ก็รักษาศีลไปก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญกัญญาญกันก็เป็นบุญเหมือนกันค่ะก็ฟังแล้วก็นั่งสมาธินิดหน่อยก็ก็ก็ดีเริ่มต้นนี้ก็นิดหน่อยก่อนเดี๋ยวต่อไปก็มากเองครัเหมือนกินข้าวใหม่ใหม่ก็กินนิดหน่อยก่อนจิตไปกินมาเมาไปเมาอ่ากินค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะดสาธุจ้าขอบคุณจอมจิต จำจิตพี่สาวมากันมาเกิดอะไลกันหลายพี่สาวค่ะกับนวัตสการพระอาจารย์ค่ะ อ, ะ อ, อขอโอกาสพระอาจารย์วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเข้า z ูมค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ไปมีโอกาสไปทําบุญที่วัดแล้วก็ใส่บาตรพระอาจารย์ที่หน้าจอมเทียนอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะก็ไปกับน้องจาวิชยา น, นี่นะคะตอนนี้อยู่ ท, ที่เมืองไทยแล้วอยู่ที่ทอยู่ ท, ที่ที่ไทยค่ะพระอาจารย์อยู่กรุงเทพค่ะอาจารย์กรุงเทพนะค่ะ แต่น้องจ้าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะน้องจาอยู่อ เ, อเมริกาค่ะอืมแล้วเป็นยังไงมีอะไรไหมอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็ อ, อือก็ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาธรรมมาประมาณสองสามปีค่ะพระอาจารย์ก็จริงๆก็ก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ไม่ค่อยมากเพราะว่าอาจจะอย่างยกตัวอย่างนั่งสมาธิเนี่ยก็ อตอนเช้าก็นั่งได้สั้นๆเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเอมีมันจะมีเรื่องงานที่จะต้องไปทําตลอดก็จะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แล้วก็ต้องเปิดโทรศัพท์ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนั่งสมาธิบางทีก็โทรศัพท์เข้ายิ่งช่วงเช้าจะยุ่งมากๆค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็พยายามหาเวลาระหว่างวันเทําให้ให้กลับมาที่ตัวเองมากที่สุดค่ะพระอาจารย์เนื้อหาเวลาวันหยุดไม่ทํางาน ค่ะเป็นวันอื่นก็จะทําได้ค่ ะ, คะก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเราแนละ้วแต่อยากจะปฏิบัติหน้าเราก็ต้องปรับปรับสภาพของเราให้มันมีงานน้อยลงให้มีเวลาว่างมากขึ้นค่ะค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามอะไรใช่ไหมค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาค่ะอสาธุไปที่กุนกาตูนกาตูนอยู่ที่ไหน นมัส ก, การค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าตาตูนอยู่นครศรีธรรมราชค่ะเอ่เคยเข้ามาหป่าหนูเข้ามาเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะพระอาจารย์ อ, อที่ว่าพระอาจารย์เมตตาที่ว่าหนูว่าถ้าในกรณีที่เริ่มนั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้หนูบอกว่าหนูชอบจดมวนแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้นําบทจดมวนนะคะเวลามานั่งสมาธิเจ้าค่ะอืมอแล้วป ไ, <ง>ไ<ง>ดีไหม ดีเ <D ee> จ้าค่ะแต่ว่าบางทีหนูก็เหมือนยังไม่ค่อยส ง, งบเลยเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีบทสวดมนต์นี้เราสามารถสวดในใจได้หลายหลายบทหรือเปล่าเจ้าคะได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะส ง, งบถ้ายังไม่ส ง, งบก็สวดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดค่ะแล้วแล้วเราสามารถก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนบทสวดมนต์ไปได้เรื่อยใช่ไหมเจ้าคะได้เปลี่ยนบทสวดมนต<ๆ>์ก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ซ้ำซ้ำอันเดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าบางที แต่อย่าเปิดตาดูหนังสือแล้วกันนะให้มันอยู่ในใจของเราเจ้ค่ะแล้วบางทีพอค<า>่ะอาบางทีว่ า, าไบางทีหนูก็ไม่ได้สวดมนหนูก็พุโทโธแล้วบางทีก็มาดูว่าเห็นลมหายใจอะค่ะหนูก็ไม่ได้หนูก็ว่าเออจะดูลมหายใจหรือว่าจะดูจำที่บทสวดมนที่พระอาจารย์แนะนำํำมาเจ้าคะว่าหนูจะจับตัวไหนดีเจาา้าค่ะอ่าถ้าเรา เอาตัวไหนก็ได้ถ้าเราจับยมได้เราก็ดูลมไปเลยก็ได้ไม่ต้องสวยก็ได้ถ้าเราดูลมไม่ได้เราต้องสวยก่อนว่าสวยไปก่อนแต่ว่าก็ได้หมดใช่ไหมเจ้าค่ะได้หมดพุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ดูลมก็ได้ใช่<ด><อ>ค่ะแต่เอาอย่างในอย่างหนึ่งนะอย่าไปเอาปนเอาเป็นอย่าอย่าปนกันเจ้าค่ะบทสวดมนต์ก็ก็แล้วแต่ว่าเราอยากส่วนบทไหนสั้นๆอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้หมดในบทไหนก็เหมือนกันะ เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์เจ้าคะเหมือนถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราควรมีวินัยหรือว่าเราต้องฝึกยังไงดีว่าเออรอบนี้เราควรจะฝึกกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะพระอาจารย์ก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้แล้วนั่งได้กี่นาทีก็นั่งไปอ๋อเจ้าค่ะแต่บางทีก็ง่วงนอนนะคะเจ้าค่ะถ้าอยากจะปฏิบัติไม่ง่วงก็ต้องถือศีลต้องไม่กินข้าวเยน็นต้องถือศีลแปะ ลด<น> ก, การกินลงให้มันน้อยลงไปที่มันโงวว่เพราะเรากินมากเกินไปค่ะให้มันหิวถ้ามันหิวแล้วมันจะไม่งวอใช่ค่ะนะหรือถ้าถ้า ง, ง้วก็ลุกขึ้นมาเดินเดินถ้ามีที่เดินก็เดินจกรมไปก่อนก็ได้เดินพุทโธมาหรือเดินสวดมนต์ไปในใจก็ได้ใช่ค่ะแล้วพอหายโงกก่ก็มานั่งไหม อืมค่ะแล้วแล้วขั้นต่ําก็คือเหมือนกับว่าเราควรได้สักนานเท่าไหร่ดีเจ้าคะพระอาจารย์หรือว่าแล้วแต่จิตเราสงบไหมเจ้าคะก็เหมือนเวลาไปธนาคารเขาบอกว่าคุณต้องการยางเงินเท่าไหร่ะ่ะเขาให้คุณบ่เนี้คุณคนไม่ได้เท่าไหร่ก็ขนไม่ไเลย <c oughs> นั่งสมาธิก็เหมือนไปนขนเงินให้เราให้กับใจเราเราจะาน้อยหรือเอามากดี <c oughs> เจ้าค่ะพรเวลาเหล loser, ือน้อยลงทุกปีแล้วนะเจ้าค่ะใช่ธรรมะนี่มันยิ่งยิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเราจะไปมักน้อยทธรรมะอย่างนี้ได้อย่างนี้ทั้งโลกโลกในธรรมะไม่ไม่เป็นกิเลสมักน้อยในธรรมะเป็นกิเลสเข้าใจหมเ้าค่ะยังพยายามเอาให้มากมากนั่งได้ได้ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดี อย่าไปตั้งต่ำๆคือก็ อ, อย่าไปตั้งดีกว่าลองบอกจะจะนั่งไปยังกว่าจะนั่งไม่ได้กันแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่าเรานั่ง น, นานเท่าไหร่แล้วค่ะแต่เราเราเวลาคราวนี้สมมุติว่าถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าตามตัวเราคันเราอะไรแบบนี้เราก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้ถ้าสวดวนไปก็อยู่กับสวดวนไปให้มันคันไปไปล่อยมันคันไปถ้าเราไปถ้าเราไปเก่าหรือไปอะไรเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ยัง แล้วค่ะเราต้วงนที่ศูนย์ใหม่เราต้องทิ้งร่างกายเวลาเรานั่งสมาธินี่เราต้องการจะปล่อยวางร่างกายเห็ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนีคนงนน้คันตรงนั้นคันตรงนี้แล้วอยากจะคืนน้ำลานี้ทําไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเฉยๆไอแล้วค่ะเพราะบางทีพอหนูนั่งแล้วหนูมีความรู้สึกว่าบางทีลมลมมันไม่สม่ำเสมอเราก็ดูมันแล้วบางทีเราก็คืนน้าลายเหมือนที่ว่า อ, อาจารย์บอกนั่นแหละค่ะเอออย่าไปเกินอย่าไปเกิน ให้มันน้ำมันจะน้ำลายจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวนั่งเสร็จแล้วค่อยมาเช็ทก็ได้<ม>แตอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายเวลาเราให้ให้ให้อยู่กับสวดมนต์อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับดูลมหายใจไปนั่นพออย่างอ่นไม่ต้องไปสนใจค่ะนะลองทําดูนะน้ํามาเ <ใน S 1> ล่าใหม่อาทิตย์นี้<ใ>นำมาเล่ล ใ, หใหม่ นายเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าหนูสงสัยเดี๋ยวหนูมาถามใหม่นะเจ้ า, า yeah, ja. ค่ะไ่้สาธุเจ้าค่ะหนูกล่าวนามรัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ค่อยหนูไม่ได้มีโอกาสไปชนบุรีแน่เลยเจ้าค่ะนี่ก็มา<จ>ถึงนี่แล้วเนี่ยนีมาถึงวันแล้วเนี่ย <laughs> กล่าวนามรัชการพระอาจารย์จากตรงนี้เลยนะเจ้าค่ะได้สาธุเจ้าค่ะไปที่คุณพิมพ์บอวินคุณพิมพ์ คยเข้ามาแล้วบอคุมพิ์ไม่เคยนะเลยเลยอะฟูดได้เลยสวัสดีค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ได้ดังหน่อยดังหน่อยก็เดี๋ยวจะมารายงานผลการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์อ่าว่ามาเลยก็มีวันนึงใช่ไหมคะก็ตอนกี้คืนก็มันก็จิตมันตื่นแล้วทีนี้ปุ๊บก็ได้ยินเสียง เสียงกิเลสมันคุยกันนะคะ่ะตัวหนึ่งมันก็ถามแล้วว่ามันไม่ได้ถามหรอกมันบอกเราค่ะมันบอกแล้วว่าเนี่ยเธอใกล้จะตายแล้วนะเราก็เลยบอกว่าเออตายก็ตายดิแล้วอีกตัวหนึ่งมันก็ขานขึ้นมาค่ะมันก็บอกว่าเธอยังตายไม่ได้หรอเธอยังต้องอยู่อีกางานเนี้ยค่ะเรา mm hmm. บอกเอออยู่ก็อยู่สิทีนี้มันก็หายไปค่ะอาจากได้ยังไง ถ้าถ้าอย่างนี้คือมันมันใช่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมคะพระอาจารย์มันเป็นสัขงขารความคิดปุงแต่ที่เราพยายามจะหยุดอย่าไปปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดให้พุโทโธพุโทโธอะไรมันความคิดหลังนีกก็ปรากฏขึ้นมาก็หยุดมันดีกว่าเวลานั่งสมาธิเราต้องการทำใจให้ว่างจากความคิดอย่าปล่อยให้มันคิด ก็พอหลังหลังจากหลังสักประมาณสามสี่วันเนี้ยค่ะก็ติดโควิดค่ะติดโควิดแล้วก็เลยกลัวกลัวจะติดลูกค่ะก็เลยมานอนอยู่หลังบ้านพอมานอนอยู่หลังบ้านปึ๊บก็พอพอกลางดึกแล้วก็จิตมันก็ตื่นค่ะจิตก็ตื่นจิตก็ตื่นทีนี้ปุ๊บก็มันก็เห็นลมหายใจสั้นยาวแบบ มันละเอียดขึ้นค่ะพระอาจารย์ทีนี่แล้วมันจะตื่นทั้งคืนเลยนะคะพอตื่นทั้งคืนปุ๊บเช้ามาเช้ามามันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าใจว่าเออการอิ่มใจอิ่มเออนะอิ่มใจสบายค่ะอิ่มใจสบายการเป็นยังไงคือมันแบบเรารู้ว่าจีมันตื่นทั้งคืนเลยแต่ทําไมเช้ามามันเบิกบานค่ะมันแบบ เหมือนไม่ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าหนูเข้าใจความรู้สึกนี้ถูกหรือเปล่าถูกถูกมันเป็นพลงความสงบกุ้งใจถ้าใจสงบแล้วมันมันอิ่มเอิบใจมันสว่างสวัยมันตื่นตัวมันไม่ง่วงนอนอืแต่แต่ก็ไม่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรค่ะแค่เรารู้ว่าเออเราเรารู้กับอาการที่มันเจ็บปวดคือตอนตอนตีก็ผิดก็คือไม่ไอไม่มีไข้แต่ว่า มันปวดหัวแล้วก็ปวดกระดูกอะคะ่ะแล้วก็นอนมัน mm hmm. เราหนูคิดว่าหนูหลับไปแล้วแหละแต่จริงๆแต่เราก็รู้ว่าจิตมันตื่นมันรู้รู้อาการที่เจ็บปวดนะคะจนเช้าให้รู้เฉยๆไปให้รู้ว่ามเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับมันค่ะก็จนเช้าแต่ว่าก็มันก็แปลกที่ว่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบเนี้ครับมันก็จะเห็น mm hmm. จากทีรหายใจเหมือนแบบมันสั้นๆเหมือน เมือนความรู้สึกตอนนั้นนะ่ะเราเห็นว่ามันหายใจได้ยาวขึ้นไปถึงท้องถึงสะดืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ก็เบาๆไปก็ดูไปแล้วว่ามันเป็นของมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ปรากฏขึ้นเสมอไปต่อไปมันอาจจะไม่มีก็ได้เราเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วข่าวก็แล้วกันไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจเสียใจไปกับมันรู้เฉยๆไปตามความเป็นจริง พาใจไหมย อ, อย่าไปยึดอย่าไปติดนะฮะเดี๋ยวข้าวหน้าอยากจะให้มันมาอีกมันไม่มาก็จะเสียใจเข้าใจไหมอ๋อเงียบไปเลยหายไปแล้วเหรอหน้าจะสัญญาณดีพระอาจารย์อูได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ค่ะโอเคมาแล้วเข้าใจไหมอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันไม่เที่ยมว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ต้องไปยึดไปติดมันคราวหน้าเวลาจะนั่งอยากจะให้มันมามันไม่มาก็อย่าไปเสียใจเฉยๆไปเข้าใจไหมที่นี้หนูหนูก็แอบคิจาจรณาเอาเองค่ะพระอาจารย์ว่าเอะบททดสอบที่มันเห็นในสมาธิหรือกับกับที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเราเนี่ยมัน อันที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานี้มันมันคือปัจจุบันมันถูกต้องมคะพระอาจารย์มันก็ตัวเดียวกันแหละมันก็เกิดขึ้นกับจิตของเราแหละขณะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ประยดแต่วเรารู้จักวิธีปฏิบัติจิตมันหรือเปล่าเวลามันเกิดขึ้นเราอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันอะไรจะมาเกิดขึ้นมาเราก็ให้รู้เฉยๆไปเข้าใจไหม นันยา น, นานนานจะไม่ดีนะเงียบไปนะหนวได้ยินเสียงพระจันร์นะคะโอเค <laughs> ก็ก็ปฏิบัติไปให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันรอดูให้ดูดูอย่างเหมือนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปดูก็ปล่อยวางไปล้วทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันมาแล้วก็ไปทุกอย่างผ่านไป อย่าไปยินดียินไล่กับมันอย่าไปยึดไปติดกับมันโอเคนะพอใจเดียวเอาเท่านี้ก่อนนะขอบคุณมากค่ะาอาจารย์ัสดีคุณบ้าว่าอะไรจ๊ะคุณป้างว่าอะไรเอามาเรียนธรรมะถามไม่มีคำถามค่ะอาจารย์โอเคไปที่แม่น้องเหรีแม่น้องดูจารย พอาจารย์คะได้ยินหนูไหมคะได้ยินจ้าค่ะไม่มีคําถามเข้ามาฟังค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่คุณคุณจุ๊บต่อเลยมีคําถามจาก facebook ใน youtube ะมอ่ามีมีคําถามตอนนี้ทั้งหมดสิบคาถามค่ ะ, ะคําถามแรกค่ะคําถามแรกจากคุณเก่งธีรพงษ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับกระผมขอความเมตตากราบเรียนถามทั้งหมดสี่คำถามครับ ข้อที่หนึ่งเวลาคนตายรูปคือกายสลายไปส่วนนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะดับไปด้วยไหมครับหรือว่าจะติดไปกับจิตครับไปไปกับจิตมั น, นมันเป็นส่วนประกอบของจิตเนี่ยมันมากับจิตคำถามข้อที่สองค่ะสำหรับนักภาวนาเมื่อถึงเวลาที่กําลังจะตายควรจะดูจิตหรือดูเวทนาหรือควรกําหนดอะไรครับ ก็แล้วแต่ว่าจะดูอะไรที่ทำให้ใจสงบได้ก็ดูไปดูร่างกายก็ได้ดูว่าร่างกายไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปทุกข์กับมันแล้วแต่เราจะเราถนัดจะดูตรงไหนดูเพื่อให้จิตให้ใจเราสงบไม่ให้ใจเราทุกข์กับอะไรพ่ิที่สาค่ะ การทำทานเช่นการบริจาคเงินมีจุดอิ่มตัวที่ไม่จําเป็นต้องทําแล้วแบบน้ำเต็มแก้วไม่ต้องเติมแล้วได้ไหมครับได้เมื่อมันงิงนหมดเมื่อไหร่มันก็เต็มแก้วมาแล้วนะถ้ายังมีเงินอยู่มันก็ยังไม่เต็มแก้วออ่่ะข้อที่สี่ค่ะเวลาเดินจงกรมถ้าเดินสองชั่วโมงผมควรแบ่งการเดินแบบให้หยุดคิดหนึ่งชั่วโมงแล้วเดินพิจารณาทําต่ออีกหนึ่งชั่วโมงทําแบบนี้ได้ไหมครับ เบื้องตนมึถ้าอะไยังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปคิดหนะะ่อยเดียวเอาแต่หยุดคิดอย่างเดียวไปและในรอบการเดินจงกรมหนึ่งครั้งผมต้องเดินจงกรมแค่ไหนถึงจะทราบว่าถึงเวลาที่ผมสามารถจะเดินไปพิจารณาทำไปได้ครับถ้าเรายังไม่มีสมาธิจิตเรายังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิยังไม่ต้องไปทางปัญญาพยายามหยุดความคิดไว้เพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดความคิดยาก ถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วมันก็เวลาจะทําใจใสงบมันจะสงบได้ยากเนื่องตอนที่เราฝึกทําใจใสงบให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาคำถามต่อไปจะคุณสายพันธุ์ค่ะอยากถามว่าถ้าเราคิดอะไรที่ไม่ดีผิดศีลแต่คิดเท่านั้นแต่เราไม่เคยทําแบบที่คิดสักทีเราจะบาปไหมครับยังไม่บาปหนาะถ้ายังไม่มีการกระทําทางกายทางวาจา เป็นเกีแต่เป็นอกุศลซึ่งอาจก็อาจจะทำให้ใจเราทุกได้จากความคิดที่ไม่ดีแต่มมนยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ยังได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสัญญาค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอายุ65้าเคยเข้าสมาธิได้ดีปัจจุบันปวดหลังตึงใบหน้าเรื่องปราบปราศาอักเสบนั่งทุกวันตีสี่ถึงเช้าบริกรรมมันตึงส่วนเป็นคลื่นสองชั่วโมงค่อย ค่อยสงบแต่เข้าอัปปนาไม่ได้ขอคำแนะนำครับกาสติสติเรามีกำลังน้อยพยายามฝึกสติให้บ่อยๆก่อนที่เราจะมาน้ำฝึกทั้งวันเลยยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีถ้ามีสติแล้วเวลาจะเข้าสมาธิมันก็จะง่ายคำถามต่อไปจากคุณวันเพ็ญค่ะกราบเบนถามว่า สมาชิกในครอบครัวอีกสองคนไม่ปฏิบัติธรรมและนอนห้องเดียวกันสามคนบางครั้งฟังธรรมในคืนวันพูดยังไม่จบก็ปิดก่อนแล้วมาฟังย้อนหลังจะเป็นการไม่สมควรไหมเจ้าคะคือส่วนใหญ่จะฟังธรรมจนจบเจ้าค่ะน้อมกราบพระอาจารย์เมตตาเจ้าค่ะก็แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าฟังไม่จบก็ไม่จบไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนถ้าฟังจบก็ฟังไปถ้าฟังไม่จบก็มีเหตุการณ์ทําให้หยุดฟังก็ ก, ก็กลับมาฟังต่อได้ทีหลังก็ได้คำถามต่อไปจากคุณชยดาค่ะพระอาจารย์คะถ้าเราจะต้องทําในสิ่งที่เราไม่มั่นใจในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เรารู้สึกฝืนใจที่จะทําแต่กลัวการกระทบกระทั่งกับผู้ใกล้ชิดค่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทาดีกว่าการทําะไรที่เราไม่มั่นใจว่าจะดีและไม่ดีก็อย่าไปทํา คำถามต่อไปจากคุณเพงค่ะพระอาจารย์เคยตอบว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่ควรต้องเกิดแกด่เจ็บตายแล้วจะเกิดเป็นอะไรดีคะก็ไม <c oughs> ่เกิดอะไรไงคำถามต่อไปจากคุณจอยค่ะขอโอกาสค่ะเคยได้ยินพระอาจารย์บอกว่าการทำทานเสียเวลาหนูรู้สึกว่าทาทานแล้วมีความสุขได้เจอพระอาจารย์สุชาติก็มีกำลังใจขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ ทำทานและเสียเวลาแล้วอรอยเี้ยเออพระอาจารย์บอกว่าการทำทานเป็นการเสียเวลาหนูรู้สึกว่าทำทานแล้วมีความสุขค่ะอ๋อนี่หมายถึงเสียเวลาการภาวนาถ้าเราภาวนาแล้วบางทีการทำทานก็อาจจะมาเอาเวลาของการภาวนาไปเช่นไปไปทำไปทำทานใหญ่ไปทำกรถินไปทำผ้าป่าที่ต้องใช้ที่ต้องใช้เวลาไปเตรียมตัวจัดการอะไรตา่างๆอย่างนี้มันก็จะทาให้เอาเวลาภาวนาไป ซึ่งถ้าเป็นนักภาวนาแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการทําทานหยุดการทําทานไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้เอาเวลามาให้กับการภาวนาให้เต็มที่เลยจะดีกว่านี่กว่ากลับไปกลับมาเพราะมันจะทําให้การภาวนาเราไม่ต่อเนื่องทาให้การภาวนาเราไม่คืบหน้าถ้าเราเข้าสู่การภาวนาแล้วก็ล ร, รับการทําบุญทําทานไว้ก่อนเอาเวลามาให้กับการภาวนา จนกว่าเราจะหยุดภาวนาแล้วเราอยากจะมาทําบุญทําทานก็ค่อยกลับมาทําบุญทําทานต่อทาทานหมดแล้วค่ะโอเคมีเวลาหรื อ, อยังนิดหน่อยมีใครอยากจะถามอะไรบ้าถ้ามีก็เชิญยกมือขึ้นมาแล้วก็ที่น่าคงจะไม่มีนะทุกคนก็ได้ถามได้ฟังได้ยินนะไพอสมควรก็คิดว่าพอสมควรในเวลาสําหรับคืนนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพเจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ